นัติกา ม, มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังครับพระองค์เป็นบุตรของจีนไหหองซึ่งเป็นขุนพัฒน์นากบอบ่อนเบีย้ย เป็นธนบดีผู้มั่งคั่งมีเคหสถานอยู่หน้าบ้านท่านพยาจักรีซึ่งอยู่ใกล้กำแพงพระนครรีอายุทยาท่านทรงพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่17เมษายนพุทธศักราช2277ตรงกับเดือนห้าขึ้น15คำจุลศักราช1996ฉศก พระยาจีนไหหองได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งรูปประพันธ์สันฐานงดงามนับว่ามีลักษณะกายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือวัดตั้งแต่สะดือถึงเท้าเท่ากับวัดตั้งแต่สะดือถึงเชิงผมที่หน้าผากแล้วก็วัดตั้งแต่สวงอกออกไปหาปลายนิ้วมือทางขวาและซ้ายนี่เท่ากันแล้ววัดตั้งแต่ปลายนิ้วทั้งขวาซ้ายเมื่อเหยียดแขนเต็มล้าแล้วเท่ากับความยาวตั้งแต่ปลายเท้าถึงเชิงหน้าผาก ลักษณะอย่างนี้เป็นมหาปุริศลักษณะและในขณะเดียวกับที่เด็กชายผู้นี้คลอดก็ได้เกิดอสมนีบาทผ่าลงมาตรงที่เสาดั้งณนะห้องเรือนอันเป็นที่คลอดของเด็กชายผู้นี้แต่ว่าไม่มีผู้ใดเป็นอันตรายพอคลอดได้สามวันก็มีงูเหลือมตัวใหญ่เข้ามาขดอยู่ในกระดง้งเป็นทักษิณาวัตรคือขดบนขวารอบกายเด็กชายนั้น จินหายหองและภรรยาได้เห็นดังนั้นก็ตกใจเกรงว่าจะเป็นนิมิตร้ายแล้วก็บังเกิดอันตรายนานาประการและตามประเพณีจีนนั้นเมื่อเกิดนิมิตร้ายปรากฏชัดเจนอย่างนี้แล้วให้นำเด็กนั้นไปฝังเสียทั้งเป็นแต่ในเมืองไทยนั้นถือเป็นสุพนิมิตอันดีคือเด็กนั้นจะมีบุญญาธิการแก่กล้าต่อไปในภายภาคหน้า ครั้นรุ่งเช้าเจ้าพยาจักรีออกมาถวายอาหารบินธบาตแด่พระสงฆ์ตามเคยได้ทราบปาจีนไห่หองจะนำบุตรไปทิ้งเพราะเข้าใจว่าจะเกิดเสนียดจันไรแก่ตนเองและครอบครัวท่านก็ให้เกิดน้ำใจเมตตากรุณาและคิดว่านิมิตนี้เป็นการประหลาดมหัศจรรย์ฉรอยเด็กนั้นจะเป็นผู้มีบุญญาธิการต่อไปในอนาคตจึงขอรับเด็กนั้นไปเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรม จีนหายหองก็ดีใจมากก็ยินยอมให้ทันทีเมื่อเจ้าพญาจักรีรับเด็กชายบุตรจีนไหายหองมาเลี้ยงแล้วก็ทนุบำรุงด้วยความเมตตาการุณาเสมอด้วยบุตรแต่นับแต่นั้นมาพระยาจักรีก็ได้าลาบและก็สมบัติทรัพย์สินเพิ่มพูนทวีขึ้นเป็นนันมากจนทําให้รู้สึกว่ามีลาบสกุลละมากมายเห็นปานชนีคงจะเป็นพระบุญญาธิการของเด็กคนนี้ด้วย ประการหนึ่งจึงตั้งชื่อให้แก่เด็กชายผู้บุตรบุญธรรมนั้นว่าศิลครั้นเด็กชายศิลมีอายุได้ห้าขวบเจ้าพญาจักรีก็นำเด็กชายศิลนไปฝากไว้ในสำนักพระอาจารย์ทองดีแห่งวัดโกสาวาทหรือว่าวัดคลังเด็กชายศิลนได้ศึกษาหนังสือไทยและหนังสือขอมจนมีความรู้พอสมควรจึงเรียนพระไตรปิฎกต่อไปครั้นเด็กชายศิลนมีอายุได้สิบามปี ก็คิดการตั้งบ่อนถั่วขึ้นในวัดและชักชวนศิษยานุสิ์ในวัดนั่นเองให้มาแทงถั่วโดยตนเอง ต, งตั้งตัวเป็นเจ้ามือความทราบถึงพระอาจารย์จึงลงโทษสิทธิ์ทั้งหลายทั่วทุกคนโดยเฉพาะเด็กชายศิลนั้นเป็นหัวหน้าควรจะได้ลงโทษอย่างหนักคือเอาตัวไปมัดมือคร่อมกับบันไดท่าน้ําตัวเด็กชายศิลแช่อยู่ในน้ําตั้งแต่เวลาเย็นเมื่อถึงเวลาทําวัดเย็นพระอาจารย์ทองดี ก็ไปสวดมนต์ในโบสถ์ตามเคยจนเวลาประมาณสามทุ่มจึงเลิกพิธีสวดมนต์พระอาจารย์ทองดีระลึกถึงเด็กชายศิลขึ้นมาได้ก็ตกใจมากรีบชักชวนพระภิกษุหลายองค์ไปยังท่าน้ำํำขั้นไปถึงก็เห็นน้ําท่วมล้นตะลิ่งและมองไม่เห็นเด็กชายศิลอยู่ที่นั่นทั้งบันไดก็ไม่เห็นแต่หาได้ทันพิจารณาไม่ว่าบันไดนั้นได้ถูกน้ําขึ้นท่วมแล้วหรืออย่างไรเพราะพระอาจารย์เป็นห่วงอยู่แต่เด็กชายศิลเท่านั้น จึงสั่งให้พระภิกษุที่ไปด้วยตามไฟเที่ยวสองหาเด็กชายศิลก็ไปพบเด็กชายศิลที่ริมตลิงมือยังมัดติดอยู่กับบันไดแต่บันไดนั้นหลุดถอนขึ้นมาจึงแก้เชือกที่มัดมือนั้นออกจากบันไดแล้วพาตัวขึ้นมาบนบกพรอาจารย์ทองดีพร้อมด้วยพระภิกษุทั้งหลายได้เห็นเด็กชายศิลไม่ได้เป็นอันตรายก็เป็นการอศัศจรรย์ยิ่งนักก็พาตัวเด็กชายศิลเข้าไปในโบส แล้วก็ให้นั่งอยู่ท่ามกลางสงฆ์เฉพาะหน้าพระพุทธปฏิมากอนพระสงฆ์ทั้งหลายก็สวดชยันโตโมงคลคะถาเป็นการทำขวัญให้แกเด็กชายศิลมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนื่องจากเด็กชายศิลมีอายุ13าปีซึ่งเป็นอายุที่นิยมว่าสมควรทำการตัดจุกได้เจ้าพระยาจักรีจึงแต่งการมงคลตัดจุกเด็กชายศิลเป็นงานใหญ่โต พร้อมกับได้เชื้อเชิญบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยมาชุมนุมอย่างคับข้างในขณะระหว่างพิธีมงคลตัดจุกนั้นปรากฏว่ามีพึ่งหลวงมาจับที่เพดานเบญจารดน้ำนับเป็นสุพนิมิตมงคลและจับอยู่ถึงเจ็ดวันจึงบินออกไปด้วยทิศโดยอรอบเมื่อเสร็จพิธีมงคลตัดจุกแล้วต่อมาไม่นานเจ้าพญาจักรีก็ได้นาในสินเข้าเฝ้าถวายตัวเป็ดมหาดเล็ก ในพระบรมราชาที่สคือสมเด็จพระเจ้าบรมโกศพระมหากษัตริย์องค์ที่37แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ได้ทรงกรุณาโปรดกล้าให้รับราชการอยู่กับหลวงศัก์นายเวนซึ่งเป็นบุตรเจ้าพญาจักรีนายศิลเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรสนใจในการแสวงหาความรู้ปรากฏว่าเมื่อถึงคราวออกเวนก็อุตสาหะไปในสำนักอาจารย์ยวนอาจารย์จีนและอาจารย์แขกขอเรียนหนังสือและวิชาการต่าง จนนายสินพูดทั้งสามภาษานั้นได้จนชำนาญขั้นนายสินอายุได้ยี่สเอ็ดปีเจ้าพญาจักรีก็ประกอบพิธีอุปสมบทนายสินเป็นพระภิกษุอยู่ในสำนักพระอาจารย์ทองหีวัดโกสาวาดเมื่ออุปสมบทได้สามพรษาแล้วกลาสิกขาบทกลับเข้าทำราชการดังเดิมในครั้งนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดําริเห็นว่านายสินเป็นผู้เฉลียวฉลาดรอบรู้ราชกิจขนบธรรมเนียมต่าง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในายสินเป็นมหาดเล็กรายงานทำราชการในกรมมหาดไทยและก็กรมวังสารหลวงสนองพระเดชพระคุณสืบไปกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบรมราชาที่สพระที่นั่งสุริยามารินขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อจุลศกักราช1120นับเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่39 ในครั้งนั้นนายสินมหาดเล็กได้เป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีขึ้นไปชั้นนความหัวเมืองฝ่ายเหนือได้รับความดีความชอบและประจวบกับตําแหน่งหลวงยกระบาดเมืองตากว่างอยู่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในายศินมหาดเล็กเป็นที่หลวงยกระบาดเมืองตากขึ้นไปช่วยราชการเมืองตากต่อมาไม่ช้าพระยาตากและปลัดเมืองตากก็ถึงแก่กรรมลง หลวงยกระบาดศีลถือข่าวบอกการอานิจกรรมลงมายัางกรุงศรีอยุธยาและนำความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบว่าลรา อ, องธุลีพระบาทจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลื่อนหลวงยกระบาดศีลขึ้นเป็นพระยาตากศึกไปครั้นพระยาตากสินได้ขึ้นไปครองเมืองตากแล้ววันหนึ่งพระยาตากไปบำเพ็ญกุศลณวัดคอยขาวแก้วและวัดกลางต่อกันซึ่งอยู่ในตำบลบ้านระแหง พระยาตากศินได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าบารมีของข้าพเจ้าจะถึงแก่บรมสุขแล้วข้าพเจ้าจะเอาไม้สำหรับเคาะระคังนี้กว้างไปขอให้ถูกจําเพาะท่ามกลางเท้าถ้วยแก้วที่ข้อจีวด้านหักออกไปแต่ขออย่าให้ถ้วยนั้นเป็นอันตรายข้าพเจ้าจะเอาถ้วยแก้วนั้นมาทำพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่ถ้าบารมีของข้าพเจ้ายังไม่ถึงแก่บรมสุขแล้ว ก็ขออย่าให้ไม้คอระครังนี้ไปถูกถ้วยแก้วนั้นเลยครั้นตั้งสัตยาธิฐานดังนั้นแล้วก็กว้างไม้เคะระคังนั้นไปในระยะห่างสิบศอกไม้นั้นก็ไปถูกท่ามกลางถ้วยแก้วดังคําอธิษฐานเป็นอัศจรรย์ประจักษ์แก่สายตาพระสงฆ์สามเณรและทายกประสบศีการทั้งหลายต่างก็แท้สองสาธุการสันเสริญบา ร, รมีพญาตากันอยู่อื่นคันึงข้อความเหล่านี้กล่าวว่ า, าท้าธิการวัดข่อย เขาแก้วเป็นผู้จดจาึกเอาไว้สืบต่อมาพระยาวชิระปราการผู้สําเร็จราชการเมืองกําแพงเพชร ถ, ถึงแก่กรรมเมื่อความได้ทรงทราบแล้วจึงทรงรับสั่งให้หาตัวพระยาตากศินลงมาเฝ้าเมื่อพระยาตากศินได้เข้าเฝ้าแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลื่อนพระยาตากศิลเป็นพระยาวชิระปราการผู้สําเร็จราชการเมืองกําแพงเพชรแต่ยังหาได้ทันขึ้นไปครองเมืองกํา แผงเพชรตามพระรละกระสายรับสั่งนั้นไหมก็พอดีพมา่าฆ่าศึกยกกองทัพมาล้อมพระนครศรีอยุธยาพระยาวชิระประการจึงยังต้องอยู่ช่วยราชาการในกรุงศรีอยุธยาไปก่อนพระยาตากศิน์พระยากำแพงเพชรพระยาวชิระประการก็คือตำแหน่งเจ้าเมืองโดยบุคคลคนเดียวกันได้ออกรบทำสงครามกับพมา่าจนพ่ายแพ้ไปเป็นที่แครังครามแก่ศัตรูเป็นอย่างมาก ทัานเมื่อเดือนอ้ายพศ2307ในรัชกาลแห่งสมเด็จพระทินั่งสุริยามารินแห่งกรุงศรีอยุธยามีเหตุเกิดจากเมื่อพระเจ้าอลองพญาสิ้นพระชนลงและบรรดาหัวเมืองมอนก็เกิดจลาจนมีขุนนางพม่าคนหนึ่งชื่อหุยตองจาได้คุมสมัครพรรคพวกเข้าชิงเอาเมืองถวายจากเจ้าเมืองที่พระเจ้าอลองพญาตั้งไว้แล้วแข็งเมืองไม่ยอมขึ้นกับพมา่า ครั้นรู้ว่าพาม่าจะมาปราบปรามก็ร้อนตัวจึงแต่งทูตนำดอกไม้เงินดอกไม้ทองและเครื่องราชบรรณาการมาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระที่นั่งสุริยามารินซึ่งก็ทรงรับไว้ในที่สุดมังมหานรธาแม่ทัพพม่าก็มาตีเมืองถวายแล้วเลยติดตามหุยตองจา ม, มาจนถึงกรุงศรีอยุธยายกเข้าตีเมืองถวายมาริตนาวสีกระบุรีระนองชุมพรชัยยาปทิว กำเนิดนบกคุณคลองวานกุยบุรีปรานจนกระทั่งถึงเพชรบุรีเมื่อพมา่าเข้าตีเมืองทวายหุยตองจาได้พาครอบครัวลงเรือหนีมาอาศัยอยู่ที่เมืองมริดมังมหานรธาให้มาขอตัวหุยตองจาจากไทยไทยไม่ยอมส่งให้มังมหานรธาจึงให้กองทัพเรือหกสิบลำยกมาตีเมืองมริดหุยตองจาพร้อมกับกรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งถูกในประเทศไปอยู่เกาะลังกาแล้วหนีกลับมา พากันหนีลงเรือมาอยัางเมืองกระบุรีมังมหานรทาก็ให้กองทัพหน้าติดตามเข้ามาส่วนตัวมังมหานรทายกไปตีเมืองตะนาวศรีแล้วรอคอยอยู่ที่เมืองนั้นกองทัพที่ติดตามหุยตองจามานั้นมาถึงไหนก็ปล้นสะดมเอาทรัพย์สมบัติแบ่งปันกันเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเมืองเพชรบุรีได้ปะทะ ก, กับกองทัพของพระยาพิพัฒกุศลและพระยาตากศินซึ่งสกัดอยู่ ทัพม่าจึงถอยกลับไปเมืองตะนาวศรีทางด่านสิงขรการรบครั้งนี้ฝ่ายไทยที่อยู่ตามหัวเมืองหลายทางซึ่งพม่าเดินทัพผ่านมานั้นต้องเสียผู้คนพลเมืองและทรัพย์สมบัติมากมายตลอดจนบ้านเรือนก็ถูกเผาไปเป็นอันมากสมเด็จพระที่นั่งสุริยามารินให้เอากรมมะหมื่นเทพพิพิธไปคุมไว้ที่เมืองจันทบุรีและหุยตองจานั้นเอาไปคุมไว้ที่ชนบุรีอย่างแข็งขัน พม่าถอยทับกลับไปยังกรุงหงสาวดีได้เพียงหกเดือนก็ยกทับมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งนี้กรุงศรีอยุธยาก็ถึงแก่การล่มจมของทัพพม่าที่ยกมาครั้งนี้พระเจ้ามังระไม่ได้เสด็จมาเองทรงมอบอาญาสิทธิ์ให้เนเมียวลสีหบดีเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหนือคุมพลประมาณสองแสนคนมีฉับกรุงโบเป็นแม่ทัพหน้าคุมพลห้าพันคนยกลงมาจากเมืองเชียงใหม่ โดยแยกเป็นสองกองกองหนึ่งยกลงมาทางเมืองตากอีกกองหนึ่งลงมาทางสวรรคโลกแล้วมารวมกันที่นครสวรรค์ต่อจากนั้นก็แยกผ่านอุทัยธานีทางหนึ่งและผ่านชายนาทอีกทางหนึ่งแล้วได้มาสมทบกันในกรุงศรีอยุธยาที่วัดป่าไหายปากน้ำพระประดับข้างเหนืออีกกองทัพหนึ่งพระเจ้ามังระมอบอาญาสิทธิ์ให้มังมหารธา เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้คุมพลสามหมื่นคนมีเมคารโบเป็นแม่ทัพหน้าคุมพลห้าพันคนยกเข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์ผ่านกาญจนบุรีมาราชบุรีเมื่อถึงราชบุรีแล้วให้แยกกําลังเป็นกองทัพเรือส่วนหนึ่งกองทัพ บ, บกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะกองทัพเรือให้มาทางแม่กลองท่าจีนทนบุรีและนนทบุรีแล้วไปตั้งอยู่ที่สามแยกบางไทรส่วนกองทัพ บ, บกให้มาทางสุพรรณบุรี แล้วเข้าไปตั้งอยู่ที่บ้านสีกุกการรบของพอม่าได้แบ่งออกเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นที่หนึ่งในเดือนเจพุทธศักราช 2,308 เนเมียวสีฮ บ, บดีแม่ทัพฝ่ายเหนือซึ่งตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ได้ให้ฉับกุงโบยกพลล่วงหน้าลงมาก่อนและมังมหานรธาแม่ทัพฝ่ายใต้ก็ให้เมคารโบยกพลจากด่านพัะจดีสามองค์ล่วงหน้าเข้ามาเช่นเดียวกัน ส่วนทางกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระทินั่งสุริยามารินก็โปรดให้เจ้าพยาพิษณุโลกเกณฑ์กองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือต่อต้านกองทัพฉับกุงโบและให้พญาทิเบตรปริวัติคุมกองทัพไปจากกรุงศรีอยุธยาฉับกุงโบตีลงมาจากเมืองเชียงใหม่ไม่ปรากฏว่ามีใครต่อสู้ต้านทานเลยนอกจากที่เมืองตากแต่ในที่สุดเมืองตากก็แตกพม่า ก, ก็ยกล่วงมาจนถึงกำแพงเพชรนครสวรรค์เมืองอินเมืองพรหม ส่วนทางใต้สมเด็จพระที่นั่งสุริยามารินทรงโปรดให้พระพิเรนทรเทพคุมพลสา0พันคนยกไปตั้งรับพม่าที่กาญจนบุรีได้ต่อสู้กับเมคารโบซึ่งมีกำลังห้าพันคนกองทัพพระพิเรนแตกยับเยินเมคารโบจึงยกต่อมาจนถึงราชบุรีตั้งค่ายที่ตำบลลูกแกตตำบลดอกกระออมและที่ดงรังหนองขาวรวมสามค่ายแล้วแยกกันต้นสะดมหาทรั์จับเฉลยไทย ในแวงเมืองราชบุรีเพชรบุรีและสุพรรณบุรีทางกรุงศรีอยุธยาก็ได้จัดกองทัพ บ, บกไปถึงตำบลตํารุกองทัพเรือไปถึงบางกุ้งใต้เมืองราชบุรีถูกพม่าตีย่อยยับทั้งกองทัพและพะม่าไล่ตามมาถึงแวงทนบุรีเที่ยวปล้นสะดมเอาทรัพย์สินจับเฉลยได้แล้วก็ขนกลับไปไว้ที่ค่ายเมืองราชบุรีสมเด็จพระที่นั่งสุริยามารินทรงโปรดให้พระยารัตนาธิเบศ คุมกองทัพที่เกณฑ์มาจากนาครราชสีมาลงมาตั้งรักษาเมืองทนบุรีและให้พระยายมราชคุมกองทัพมาตั้งรักษาที่เมืองนนทบุรีเพื่อสกัดกั้นไม่ให้พมา่าใช้แม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปถึงกรุงศรีอยุธยาได้สรุปได้ว่าแผนการรบขั้นที่หนึ่งของพมา่าก็คือตัดกำลังภายนอกที่จะติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็นกาลังพลสเสบียงอาหารและยานพาหนะต่าง โดยการเที่ยวปรนสะดมราษดอนไทยให้ระสำมระสายเดือดร้อนกันไปทั่วขั้นที่สองในเดือนสิบสองพุทธศักราชสองพเนเมียวสีหับดีแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหนือคุมกองทัพใหญ่เคลื่อนลงมาเป็นสองทางโดยทางหนึ่งลงมาทางจังหวัดตาก กับอีกทางหนึ่งลงมาทางสวรรคโลกแม่ทัพใหญ่คุมมาเองตีได้เมืองพิชัยเมืองสวรรคโลกจนเข้าถึงสุขโขทยัยในระหว่างที่สู้รบกันนี้มีเจ้าองค์หนึ่งชื่อเจ้าฟ้าจืดได้พาพักพวกขึ้นไปพิษณุโลกจับครอบครัวเจ้าพยา พ, ยาพิษณุโลกกักขังได้แล้วก็ขึ้นนั่งครองเมืองพิษณุโลกเสียทันทีเจ้าพระญาพิษณุโลกทราบเรื่องก็เลยนำทัพกลับมาเมืองพิษณุโลกแล้วจับตัวเจ้าฟ้าจืดถ่วงน้ำเสีย แล้วก็ยกทัพไปต่อสู้กับพม่าตามเดิมต่อไปฝ่ายมังมหานรทาแม่ทัพฝ่ายใต้ได้นำพลสามหมื่นคนยกทัพมาจากเมืองทวายมาตั้งอยู่ที่แขวงเมืองรา ช, ชบุรีให้เมคารโบคุมกองทัพเรือมาทางแม่กองท่าจีนเพื่อสกัดทางไม่ให้ไทยลำเลียงอาวุธและสเสบียงอาหารทางทะเลได้เมคารโบยกกองเรือมาถึงทนบุรีทหารชาวนครราชศรีมา ในบังคับบัญชาของพญารัตนาธิเบศได้ออกต่อสู้และมีเรือกำปั่นอังกฤษลอยลำช่วยยิงพมา่าแต่ตัวพญารัตนาธิเบศซึ่งเป็นแม่ทัพกลับแอบหนีไปซะก่อนเมื่อพวกทหารรู้ว่าแม่ทัพหนีไปซะแล้วก็พากันหนีตามไปด้วยพวกที่รักษาป้อมปืนก็ทิ้งป้อมหนีไปพม่าเข้ายึดป้อมได้กองทัพพม่าทั้งสองกองทัพใหญ่ก็เข้ามาถึงกรุงศรียอยุธยาได้ในเดือนสาม แล้วเข้าล้อมกรุงศรียุทธยาไว้ทันทีในช่วงที่พมา่าล้อมกรุงศรีอยู่นี้ได้มีชาวไทยผู้รักชาติชาวบ้านบางราจันแห่งเมืองศิบบุรีได้รวมตัวกันออกต่อสู้รบกับพมา่ามีชัยหลายครั้งเกียรติประวัติชื่อเสียงชาวบางราจันโด่งดังไปไกลมากจนทางราชการได้สร้างอนุสาวรีย์ชาวบางราจันขึ้นเป็นอนุสรณ์เพื่อเตือนสติระลึกถึงวีรกรรมนักรบไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ สมเด็จพระที่นั่งสุริยามารินทรงรับสั่งให้พระยาคลังคุ้มพลหนึ่งหมื่นคนยกทัพออกไปตีข่ายพม้าที่ปากน้ำพระประสบสองครั้งก็ถูกพม่าตีแตกกลับไปทั้งสองครั้งพระม่าได้ใจก็เลื่อนแนวประชิดกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอีกฝ่ายกรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งถูกคุมตัวไว้ที่จันทบุรีได้เรียกรำชาวบ้านเมืองจันทบุรีระยองบางละมุงและชนบุรีได้กําลังมากกว่าหนึ่งหมื่นคน ยกมาถึงปราจีนบุรีประมาณเดือน8แล้วก็ยังได้กําลังเพิ่มเติมที่ปราจีนบุรีอีกกรมม 10, ื่นเทพพิพิธได้ตั้งให้1ื่นเกมืนศรีนาวากรมการเมืองปราจีนบุรีกับนายทองอยู่น้อยชาวเมืองชนบุรีคุมพลยกมาถึงปากน้ำโยธาพม่ารู้ว่ามีกองกําลังไทยยกมาก็ส่งกองทัพต่อสู้กรมมื่นเทพพิพิธยังอยู่ที่ปราจีนบุรีไม่ได้ ด้วยพอรู้ว่าพม่าออกต้านทานก็ส่งคนเล็ดลอดเข้ามาในกรุงศรีอยุธยารับเอาลูกเมียหนีเลยมาถึงเมืองนะครราชสีมาและพระยารัตนาธิเบศก็ลอบหนีออกไปด้วยแผนการรบขั้นที่สองนี้พาม่าวางแผนการรบในเชิงยุทธศาสตร์ไว้อย่างถูกต้องสกัดทัพต่างๆของไทยไว้อยู่หมดแล้วพาม่าใช้กำลังรบตีกระหน่ำซ้ำเติมไทยมีกาลังน้อยสู้พลางหนีพลาง ทัพต่างๆของไทยประสานกำลังแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้เลยขั้นที่สเนื่องจากการรบได้ยืดเยื้อเข้ามาจนเข้าฤดูฝนทางกองทัพพม่าจึงเลือกหาที่ตั้งใหม่ให้เป็นที่สูงพ้นน้ำซึ่งก็ใช้วัดเป็นส่วนมากและในตอนนี้ประจวบกับมังมหานรทาป่วยถึงแก่กรรมลงนเนมียวสีห บ, บดีจึงทำหน้าที่แม่ทัพใหญ่แต่ผู้เดียวแล้วย้ายเข้ามาบัญชาการอยู่ที่ค่ายโพสามต้น ส่วนกองทัพหน้าย้ายเข้ามาตั้งที่วัดภูเขาทองและวัดท่าการองการรบในขั้นนี้เริ่มด้วยทางกรุงศรีอยุธยาจัดกองทัพเรือซึ่งใช้ทหารอาสาทุกล่าออกไปทำการรบแต่ไม่ปรากฏชื่อเสียงแม่ทัพในกองว่าเป็นผู้ใดนำไปปรากฏแต่ชื่อนายเริกว่าเป็นผู้ขลังวิทยาคมรำดาบไปในเรือลำหน้าก็ถูกพมา่ายิงตกน้ากองเรือทั้งหมดก็เบนหัวกลับ ทางนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าในกรุงศรีอยุธยานั้นไม่มีคนเก่งกล้าสามารถเสียแล้วต่อจากนั้นฝ่ายไทยและพะม่าต่างก็เอาปืนใหญ่ออกมาตั้งยิงกันพม่าตั้งค่ายเรียงรายลงมาตั้งแต่วัดกระชายวัดพระพลาชัยวัดเต่า ว, วัดสุเรนวัดแดงยิงปืนใหญ่เข้าไปในพระนครฝ่ายไทยก็ออกไปตั้งค่ายกันพระนครอยู่ทุกด้านด้านเหนือก็ตั้งที่วัดพระเมรุและที่พระเนียด ด้านตะวันออกตั้งที่วัดมนตดบวัดพิชยัยวัดก่อแก้วด้านใต้ให้หลวงอภัยพิพัฒน์ขุนนางจีนกลุมชาวจีนสองพันคนยกไปตั้งที่บ้านสวนพลูพวกคริสตังไปตั้งค่ายที่วัดพุทไทยสวรรค์ด้านตะวันตกให้กรมอาสาหกเหล่าไปตั้งค่ายที่วัดชัยวัฒนารามรวมเป็นเก้าแห่งเอาปืนใหญ่ชื่อปราบหงสาขึ้นตั้งบนป้อมมหาชัยเวลาจะยิงก็เถียงกันเรื่องดินบรรจุ ไม่ยอมให้มันจู่มากกลัวแก้วหูจะแตกให้บัรจูแต่น้อยพอยิงออกไปก็ตกใกล้ๆแต่พระศรีสุริยะพาหะซึ่งรักษาป้อมมุมพระนครด้านตะวันตกเฉียงเหนือเอาปืนชื่อมหามริตยูขึ้นตั้งบนป้อมใส่ดินเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าเพื่อให้มีกำลังแรงเพื่อจะยิงได้ถึงค่ายพม่าที่ภูเขาทองแต่ว่ายิงได้เพียงนัดเดียวกระบอกปืนก็ร้าวใช้การต่อไปไม่ได้ การยิงปืนใหญ่นี้ทําให้พวกท้าวนางในวังซึ่งขวัญอ่อนพากันตกอกตกใจจึงวางข้อบังคับว่าถ้าใครจะยิงปืนใหญ่ต้องได้รับอนุญาตจากข้างในซะก่อนพเพลิญพยาตากสินเป็นผู้รักษาการด้านตะวันออกที่วัดเกาะแก้วเห็นพม่ายกทัพเข้ามาก็ให้ยิงปืนใหญ่ออกไปโดยไม่ทันขออนุญาตก่อนเกิดเรื่องฟ้องร้องกันจนเกือบจะต้องโทษต่อมาเดือนสิบสองทางกรุงศรีอยุธยาได้จัดกองทัพเรือให้พระยาเพชรบุรี คุมทัพหนึ่งพระยาตากศินคุมทัพหนึ่งยกออกไปที่ใกล้วัดป่าแก้วหรือว่าวัดใหญ่คอยสกัดตีพมา่าที่ยกมาจากค่ายบางไทรและค่ายขนนหลวงวัดอ่าโพธิสัตว์พมา่ายกมาใกล้วัดสังขาวาสกองทัพพระยาเพชรบุรีออกรบสู้พมา่าไม่ได้พระยาเพชรบุรีตายในที่รบพระยาตากศินจึงถอยลงมาตั้งที่วัดพิชัยการรบขั้นนี้เป็นขั้นใกล้แตกหักเพระาะพม่ายกเข้ามาล้อมไว้แล้ว จะต้องต่อสู้อย่างเข้มแข็งเพื่อทำลายและขับไลพ่พม่าให้ถอยห่างออกไปความจริงก็มีแม่ทัพในกองที่เข้มแข็งเหลืออยู่อีกเหมือนกันเช่นพระยาตากศินเป็นต้นแต่ก็หามีอำนาจที่จะทำอะไรได้โดยเด็ดขาดไม่เพราะต่างก็หมดกำลังใจไปตามๆกันขั้นที่สีในระยะนี้พมา่าได้รับกำลังเพิ่มเติมมาอีกฝ่ายไทยที่รักษาพระนครเริ่มระสามระสาย พวกจีนซึ่งไปตั้งค่ายอยู่ที่บ้านสวนพลูประมาณสามร้อคนคบคิดกันขึ้นไปที่พระพุทธบาทไปลอกทองคําที่หุ้มพระมนต์ดบน้อยและแผ่นเงินที่ดาดพื้นพระมณตดบใหญ่เอามาแบ่งกันแล้วเผาพระมณตดบพระพุทธบาทเสียนับว่าชาติบ้านเมืองได้สูญเสียของมีค่าซึ่งจะหาอะไรมาเปรียบไม่ได้ฝายในเมียวสีห บ, บดีคุมทัพพม่าเพื่อจะตีค่ายไทยที่พระเนยียดและที่หน้าวัดพระเมรซึ่งอยู่ทางด้านเหนือ ฝ่ายไทยแตกกลับเข้ากรุงหมดทุกค่ายพม่ารุกเข้ามาตั้งค่ายที่วัดกุฎีแดงวัดสามพิหารวัดกระโจมวัดสีโพวัดนางชีวัดแม่นางปลื้มและวัดมณดบตั้งปืนใหญ่ยิงเข้ามาในพระนครทุกวันส่วนทางใต้พม่าตีได้ค่ายไทยที่วัดพุทธิสวรรค์วัดชัยวัฒนารามและค่ายจีนบ้านสวนพลูกับทั้งในพระนครสีทธยาก็เกิดโจนผู้ร้ายชุกชุมหนักขึ้นสันนิษฐานว่าคงเป็นเพราะความอดอยาก โดยพม่าตั้งล้อมไว้เป็นเวลานานหลายเดือนแล้วสเสบียงอาหารที่มีอยู่ก็หมดไปจะติดต่อกับภายนอกก็ไม่ได้ราษฎรเดือดร้อนอดอยากไปตามตามกันในวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสี่ค่ำพุทธศักราช2309เกิดไฟไหม้พระนครเริ่มแต่ท่าสายลุกลามมาทางประตูเข้าเปลือก ห้ามมาติดบ้านเรือนแขวงป่ามาพร้าวตลอดถึงป่าโทนป่าทานป่าตองป่ายาวัดมหาธาตุวัดราชบูรณนะจนกระทั่งถึงวัดฉัตทันกุฏิวิหารบ้านเรือนถูกไฟไหม้กว่าหมื่นหลังพระยาตากสินเองซึ่งถอยทับจากวัดป่าแก้วมาตั้งอยู่ที่วัดพิชัยก็ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกได้ประมาณห้าร้อยคนยกออกจากวัดพิชัยตีฝ่าทัพพม่าตรงไปยังบ้านโพสังหารหรือบ้านโพสาวหาร สมเด็จพระที่นั่งสุริยามารินทรงโปรดให้ราชทูตออกไปเจราจากับพมา่าและขอยอมเป็นเมืองขึ้นแต่ทัพพม่าไม่ยอมเพราะเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาย่ำแย่ใกล้จะแตกแล้วจึงเร่งโหมทหารให้ตีกระหน่ำเป็นการใหญ่โดยในคืนวันนั้นเองกองทัพพมา่าซึ่งตั้งอยู่ที่วัดกุฎีแดงวัดสามวิหารและวัดมณฑปได้สมทบกันทำสะพานเรือข้ามน้ำตรงหัวรอทางกรุงศรีอยุธยาก็ได้จัดให้เจ้าเมืองศรีส ร, รัก คุมกองออกไปตีพม่าจนแตกแล้วไล่ติดตามไปตีค่ายพม่าได้อีกค่ายหนึ่งแต่แล้วก็ถูกพม่าตีถอยกลับมาเพราะไม่มีกำลังหนุนครั้นวันอังคารขึ้น9ก้าข้ามเดือนห้าพุทธศักราช2310เวลาบ่ายสามโมงพม่าจุดไฟสุมรากกำแพงเมืองตรงหัวรอริมป้อมมหาชัยพร้อมกับระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปในพระนคร พอพรบค่ำกำแพงเมืองตรงนั้นก็สุดลงจนเวลาถึงสี่ทุ่มกองทัพพม่า ก, ก็กลูวกันเข้ามาภายในพระราชวังตรงที่กำแพงเมืองล้มแล้วก็พากันแยก ย, ย้ายจุดไฟเผาผลาญบ้านเรือนพระอารามและปราสาทราชมณลเทียนภายในพระราชวังกรุงศรีอยุธยาแสงไฟแดงโฉดช่วงจับท้องฟ้าแดงฉานไปไกลเป็นอันว่ากรุงศรีอยุธยาซึ่งตั้งมาได้สี่รอยสิบเจ็ดปี มีกษัตริย์ปกครองถึง43พระองค์ได้เสียแก่พระม้าแล้วคนไทยถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยกว่า 30,000 คนพระม้าได้ปืนใหญ่ 1,200 กระบอกปืนเล็กหลายหมื่นกระบอกปืนพระพิรุณแสนหาใหญ่เกินกำลังที่จะเอาไปได้ก็จัดการระเบิดเสียเอาแต่ทองไปนับว่ากรุงศรีอยุธยาสูญเสียอิสรภาพและเสียหายยับเยินอย่างใหญ่หลวงที่สุดและก่อนที่จะกลับพระม่าก็ตั้งให้มอนคนนึง มีชื่อว่าซุกี้ตำแหน่งพระนายกองเป็นแม่ทัพคุมพลสามพันคนตั้งอยู่ที่ค่ายพูสามต้นคอยสืบจับผู้คนและเก็บทรัพย์สิ่งของส่งไปยังเมืองพมา่าส่วนที่เมืองทนบุรีนั้นพม่าได้ตั้งให้ไทยคนหนึ่งชื่อนายทองอินเป็นเจ้าเมืองเสร็จแล้วในเมียวสีห บ, บดีก็คุมเจ้านายข้าราชการที่เป็นเฉลยคอยเก็บทรัพย์สิ่งของที่มีค่ามากมายยกกลับไปทางด่านแม่ละเมากองทัพฝายใต้เจ้าเมืองผู้กามเป็นแม่ทัพ คุมกองเรือบรรทุก ข, ของหนักยกกลับไปทางธนบุรีท่าจีนแม่กลองกับอีกส่วนหนึ่งยกไปทางสุพรรณบุรีไปสมทบกับกองทัพฝ่ายใต้ที่เมืองกาญจนบุรีแลว้วก็ให้ไปรวมกันที่ด่านพระเจดีสามองค์เมื่อพม่ายกกองทัพกลับไปแล้วซูกี้ตำแหน่งพระนายกองซึ่งพม่าตั้งให้เป็นผู้รักษาพระนคร ก็ใช้ให้คนไปเที่ยวค้นหาพระเจ้าแผ่นดินทุกขนทุกแห่งก็ได้ไปพบที่สมทุมพุ่มไม้ใกล้บ้านจิกอดพระกระยาหารถึงสิบสองวันจึงพากันหามลงเรือมายังค่ายโพสามต้นพอถึงก็พอดีสวรรคตสุกี้ได้สั่งให้เอาพระบรมศพไปบรรจุฝังไว้ที่โคกพระเมรุในยามบ้านแตกสะแตกขาดเช่นนี้ราษฎรก็หมดกาลังใจและขวัญเสียไปกันหมดไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร ต่างก็ได้คุมสมัครพรรคพวกเป็นกองกําลังเพื่อป้องกันตัวเองป้องกันพมา่าและในโอกาสเดียวกันหัวหน้าใหญ่ก็วางตัวเป็นเจ้าเมืองหรือว่าเจ้านาครเพื่อครอบครองโดยแบ่งออกเป็นหกชุมนุมดังต่อไปนี้หนึ่งชุมนุมสุ ก, กี้ซึ่งพม่าตั้งให้รักษากรุงศรีอยุธยาได้มีคนไทยไปอาศัยอยู่ไม่ใช่น้อยมีเจ้านายพระราชวงศานุวงศ์8ดองค์ซึ่งเป็นพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหพระองค์ คือเจ้าฟ้าสุริยาเจ้าฟ้าพินทวดีเจ้าฟ้าจันทวดีและพระองค์เจ้าฟักทองหม่อมเจ้ามิรธิดาเจ้าฟ้ากุ้งกรมพระราชวังบวรมหาเสนาพิทัก์หม่อมเจ้ากระจาดทิดากรมหมื่นจิตสุนทรหม่อมเจ้ามณีทิดากรมหมื่นเสรพักดีและหม่อมเจ้าฉิมสองชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกเดิมชื่อเรืองเป็นเจ้าพระยาพิษณุโลกครองเมืองพิษณุโลก เมื่อคราวพม่ายกทัพลงมาจากเชียงใหม่เมื่อปี2308เจ้าพระยาพิษณุโลกก็ได้รับคำสั่งจากกรุงศรีอยุธยาให้ยกทัพออกไปสกัดทัพพม่าที่สุโขทัยเราระหว่างที่เจ้าพระยาพิษณุโลกกําลังออกต่อสู้ฆ่าศึกอยู่นั้นเจ้าพ้าจืดขึ้นไปเมืองพิษณุโลกจับครอบครัวเจ้าพระยาพิษณุโลกขังไว้แล้วขึ้นครองเมืองแทนครั้นเจ้าพระยาพิษณุโลกทราบเรื่องก็กลับมาจับเจ้าพ้าจืดถ่วงน้ําเสีย เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้วเจ้าพระยาพิษณุโลกก็ตั้ง ต, งตนเป็นเจ้าโดยมีอาณาเขตปกครองตั้งแต่เมืองพิษณุโลกจนมาถึงเมืองนครสวรรค์สามชุมนุมเจ้าพระฝางเดิมชื่อเรือนเป็นคนชาวเหนือได้ลงมาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในกรุงศรีอยุธยาจนเป็นมหาและมีตำแหน่งเป็นพระราชาคณะสำนักวัดศรีอยุธยาภายหลังได้เลื่อนเป็นพระสังฆราช เมืองสว่างขบุรีเมืองขวางมีสมัครพรรคพวกและลูกศิษย์มากมายครั้นรู้ว่าลุงศรีวิทยาเสียแก่พม่าแล้วจึงเกียกรอมผู้คนเข้าด้วยกันหลายเมืองตังต้งตัวเป็นเจ้าแต่ยังคงอยู่ในเพศสมณะนุ่งห่มผ้าแดงคนทั้งหลายเรียกว่าเจ้าพระหวงังมีอนณาเขตตั้งแต่เหนือเมืองพิษณุโลกขึ้นไปจนถึงเมืองน้ำปาดเมืองแพร่เมืองน่านและหลวงพระบางเจ้าพระฝังได้แต่งตั้งแม่ทัพในกองล้วนแต่สง์ มีพระครูสิริมานฑ์พระครูเพชรรัตน์พระอาจารย์จันทร์พระอาจารย์ทองและพระอาจารย์เกิดแล้วยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกตั้งค่ายล้อมเมืองไว้สองฟากแม่น้ําเจ้าพญาพิษณุโลกก็ยกกองทัพออกไปต่อสู้รบกันอยู่ประมาณหกเดือนกองทัพเมืองหวังก็ไม่สามารถจะตีเอาเมืองพิษณุโลกได้ก็พากันเลิกทัพกลับไปสี่ชุมนุมเจ้านครคือหลวงสิทธิ์นายเวร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งออกไปจากกรุงศรีธยาให้เป็นพระปหลัดเมืองนครศรีธรรมราชต่อมาเจ้าพระยานครศรีธรรมราชต้องข้อหาถูกถอดแล้วกลับเข้ากรุงโปรดเกล้าให้พระประหลัดว่าราชการเมืองอยู่โดยยังไม่ทันได้แต่งตั้งผู้ใดออกไปเป็นเจ้าเมืองขันพระประหลัดทราบว่ากรุงศรีธยาเสียแก่พม่าแล้วก็ตั้งตัวเป็นเจ้าครองเมืองนครศรีธรรม ร, ราชคนทั้งหลายจึงเรียกกันว่าเจ้านคร โดยมีอนณาเขตตั้งแต่แดนมาลายูขึ้นมาถึงเมืองชุมพรเมืองปัติวห้าชุมนุมเจ้าพิมายคือกรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งพาสมัครพรรคพวกและครอบครัวพร้อมด้วยพระยารัตนาทิเบศหนีพมา่าไปจากเมืองปราจีนบุรีตั้งแต่เดือนแพศ .2309 ไปตั้งอยู่ณด่านโคกพระยาเมืองนครราชสีมาแล้วไปอยู่เมืองพิมาย พระพิมายรักใคร่นักถือกรมหมื่นเทพพิพิธว่าเป็นราชตระกูลจึงยกกรมหมื่นเทพพิพิธขึ้นเป็นเจ้าครองเมืองเรียกกันว่าเจ้าพิมายกรมหมื่นเทพพิพิธจึงตั้งพระพิมายเป็นเจ้าพญาสีสุริยวงศ์ผู้สําเร็จราชการตั้งนายสาบุตรคนใหญ่ของพระพิมายเป็นพญามหามนตรีตั้งบุตรคนเล็กเป็นพยาวรวงศสาธิราชแล้วจึงคิดการชิงเมืองพระนครราชสีมาจากหลวงแพ่งได้สําเร็จ ชุมนุมเจ้าพิมายมีอนณาเขตทางทิศตะวันออกไปจนกระทั่งถึงแดนกรุงศรีสัตนาคณาหุตและกรุงกัมพูชาทางใต้ลงไปถึงเมืองสระ บ, บุรีตลอดลำน้ำแควป่าสักและปรากฏว่ามีขุนานางในราชการหนีจากพม่าในกรุงศรีอุทยาไปอาศัยอยู่กับเจ้าพิมายมากอยู่เหมือนกัน 6. ชุมนุมเจ้าตากหรือพระยาตากศินชุมนุมนี้นับว่ามีความสำคัญและยิ่งใหญ่มากเที่ยวปราบปรามชุมนุมต่างๆจนราบคาบ เริ่มตั้งแต่พญาตากศิลพานสมัครพรรคพวกจำนวนห้าร้อยคนออกจากวัดพิชัยตีฝ่าพมา่าลงไปยังบ้านโพสังหารหรือว่าโพสาวหารเมื่อคืนวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นอ่าขึ้นสี่ค่ำปีพุทธศักราชสองพันสามร้อยเก้าแล้วพมา่าก็ติดตามไปทันที่บ้านโพสังหารพอรุ่งเช้าพระยาตากศิลก็นำทหารเข้าต่อสู้พมา่าฆ่าฟันพมา่าล้มตายแตกหนีกลับไป พยาตากสินก็นำทหารเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงบ้านพรานกแล้วให้ทหารหยุดพักหาอาหารมาเลี้ยงกันขณะนั้นมีทหารพรมาร่ากองหนึ่งเดินทางมาจากบางคางแขวงเมืองปราจินบุรีมีจำนวนพลขี่ม้าประมาณ30คนพลเดินเท้าประมาณ200คนจะเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาได้พบทหารของพวกพระยาตากสินกกำลังเที่ยวออกหาสเสบียงอาหารพรมาร่าก็ไล่จับและติดตามมายังบ้านพรานก พระยาตากสินจึงให้ทหารแยกออกซุ่มอยู่สองข้างทางส่วนพระยาตากศินขึ้นขี่ม้ากับทหารสี่คนควบตรงเข้าไล่ฟันทหารพม่าที่ขี่ม้ามาข้างหน้าพม่าไม่ทันรู้ตัวก็ตกใจถอยหนีกลับไปประท่ากับทหารเดินเท้าของตัวซึ่งเดินตามมาก็เกิดการรวนเรกันไปหมดทหารไทยซึ่งซุ่มอยู่สองข้างทางเห็นได้ทีก็คลูกันออกมาไล่ฆ่าฟันพม่าล้มตายแตกกระจายกันไปสิน้น ป่อยพวกราษฎรที่หลบหนีพม่ามาซ่อนเร้นอยู่ทางนี้ขั้นเห็นพระยาตากศินทําการรบมีชัยชนะต่างก็ดีใจพากันมาขอเข้าเป็นสมัครพักพวกเป็นอันมากพระยาตากสินจึงให้ราษฎรเหล่านั้นกลับไปเกลี้ยกล่อมพวกหัวหน้านายซ่องต่างๆให้มารวบรวมกันจะได้มีกําลังเข้มแข็งต่อสู้ขับไล่พม่าให้หมดเสิ้นไปปรากฏว่ามีผู้คนมาเข้าด้วยเป็นอันมากครั้นแล้วพระยาตากสินก็ยกกองทหารไปทางนาเรืองเมืองนครนายก ผ่านด่านกระเจะข้ามลำน้ำเมืองปราจินบุรีไปตั้งพักอยู่ชายดงสีมหาภูข้างฝ่ายตะวันออกส่วนพวกพม่าที่พระยาตากสินตีแตกไปจากบ้านพันนกก็พากันกลับไปบอกนายทัพพมา่าซึ่งตั้งอยู่ที่ปากน้ำเจ้าลู่ใต้เมืองปราจินบุรีนายทัพพม่าได้ทราบก็แบ่งกําลังออกตามทัพพระยาตากศินไปทั้งทางบกทางเรือพม่าเมื่อไปถึงเมืองปราจินบุรีในเมื่อพระยาตากสินข้ามลำน้ำไปพ้นแล้ว พม่าก็ขึ้นที่ท่าข้ามไล่พวกทหารพญาตากที่ล้าหลังตามติดไปขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงพญาตากพักทหารอยู่ที่ชายทุ่งและเห็นธงทิวได้ยินค้องกลองก็รู้ว่าพม่ากยกกองทัพตามมาและอยู่ในระยะกระชั้นชิดมากจะตั้งค่ายต่อสู้ก็ไม่ทันดังนั้นพญาตากสินก็สั่งให้กองสเสบียงอาหารและบรรดาพวกหาบหามรีบล่วงหน้าไปก่อนแล้วจึงอาศัยพงหญ้าเป็นที่ตั้ง วางปืนใหญ่น้อยไว้หมายยิงไปให้ตรงทางที่พม่าจะเดินเข้ามาส่วนตัวพระยาตากศินก็นำทหารประมาณร้อยคนออกไปรบล้อพม่าอยู่กลางทุ่งรออยู่พักหนึ่งก็แกล้งถอยไปทางที่ตั้งปืนดักยิงแว้พม่าไม่รู้ในกลอุบายก็ลุกไล่ตามเข้าไปพอถึงระยะที่ปืนทหารไทยจะยิงออกไปได้ผลดีบรรดาปืนใหญ่น้อยก็ระดมยิงออกไปพร้อมๆกันต้องพม่าล้มตายลงไปนั้นมาก จากนั้นพระยาตากศินก็ได้นำกองทัพผ่านไปเมืองฉะเชิงเซาเมืองชนบุรีลงไปจนกระทั่งถึงบ้านนาเกลือแขวงเมืองบางละมุงพระยาตากมีชัยรบชนะพะมา่าครั้งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลามากผู้คนต่างก็พากันมายอมอ่อนน้อมจนได้รีพลมากขึ้นถึงเป็นกองทัพเมื่อมีกำลังมากขึ้นพญาตากก็คิดจะยึดเอาเมืองระยองต่อไปแล้วก็ได้ยกกาลังไปถึงเมืองระยองขณะ น, นั้น พระระยองเป็นเจ้าเมืองได้ทราบว่าพรยาตากศิลย ก, กองทัพประกอบด้วยรีพลจำนวนมากเห็นว่าเหลือกำลังที่จะต่อสู้ได้จึงได้พาสมัครพรรคพวกมาต้อนรับถึงกลางทางและพากองทัพพระยาตากศิลไปตั้งค่ายอยู่ที่วัดลุ่มนอกบริเวณค่ายเก่าขณะที่พระยาตากศิลปไปถึงเมืองระยองนั้นกรุงศรีอยุธยายังไม่เสียทีแก่ข้าศึกพรยาตากสินพักอยู่เมืองระยองได้สองวัน พวกกรมการเมืองระยองหลายคนมีหลวงพลขุนจ่ามเมืองด้วงและขุนรามหมื่นซ่องเป็นต้นเห็นว่าพระยาตากสินบางอาจซ่องสมรีเที่ยวบุกรุกบ้านเมืองเป็นการก่อเหตุวุ่นวายต่อแผ่นดินควรจะได้กำจัดเสียพระระยองได้ทราบก็ห้ามปรามแต่พวกนั้นก็ไม่เชื่อจึงรวบรวมผู้คนจะยกมาปล้นค่ายพระยาตากศินในเวลาคำ่ำพวกชาวเมืองจันทบุรีที่มาเข้าด้วยกับพระยาตากสินรู้เรื่องก็บอกให้พระยาตากศินทราบ พระยาตากศินจึงเรียกพระระยองมาถามพระระยองก็ปฏิเสธจึงให้จับพระระยองจำไว้แล้วก็สั่งให้ตราเตรียมค่ายให้มั่นคงพร้อมกับให้ดับไฟในค่ายซะให้มืดและวางทหารไว้ตามทางเข้าค่ายทุกทางกำชับห้ามไม่ให้หหร้องและยิงปืนโต้อตอบต่อเมื่อศัตรูถล่มเข้ามาแล้วจึงข่อยยิงออกไปพวกกรมการเหล่านั้นไม่ทราบว่าพระยาตากศินรู้ตัวแล้ว จึงคุมรีพนออกจากค่ายเก่าเข้าล้อมค่ายพญาตากสินแล้วโห่ร้องระดมยิงเข้าไปในค่ายขั้นไม่เห็นพวกพญาตากออกมาต่อสู้ก็ได้ใจขุนจ่าเมืองคุมทหารประมาณ30สบคนรุกเข้าไปจะแหกค่ายพอข้ามสะพานยังอีกห้าวาจะถึงค่ายพญาตากศินก็ให้ทหารระดมยิงออกไปถูกพวกขุนจ่าเมืองตกสะพานไปพวกติดตามมาข้างหลังตกใจก็ถอยหนีพญาตากสินได้ทีก็ต้อนทหารออกไปรุกไล่ พวกเหล่านั้นก็รีบหนีกลับเข้าค่ายเก่าพวกทหารพญาตากศินก็ไล่ติดตามเอาไฟเผาค่ายและข้าวฟันข่าสึกแตกกระจายไปสิน้นพญาตากศินก็ได้เมืองระยองในคืนวันนั้นเองอันหนึ่งนักประวัติศาสตร์ได้วิเคราะห์ถึงเรื่องพญาตากศินตีฝ่าวงล้อมจากกรุงศรีอยุธยาในขณะที่ชาติบ้านเมืองกำลังคับขันถูกพม่าล้อมอยู่จนจะเสียทีอยู่แล้วนั้น ได้ลงความเห็นว่าในกรณีที่พระยาตากศินหลบหนีราชการทัพนั้นผิดจักร์โทษถึงขั้นประหารชีวิตแต่อีกกรณีหนึ่งก็เห็นใจพระยาตากศินว่าได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ได้พาสมัครพรรคพวกหลบหนีตีฝ่าวงล้อมพม่าม า, มาก็เพื่อจะกอบกู้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยาขึ้นในภายหลังเพราะอย่างไรเสียก็คงจะสู้พม่าไม่ได้เป็นแน่ สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆเลวร้ายทั้งนั้นเช่นขวัญและกำลังใจของทหารและรัษฎรทั่วๆไปนเสียกันหมดแล้วทุกคนตกอยู่ในสภาพที่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครอยู่ในกรุงศรีตยาก็จะต้องถูกจับออกไปนอกกรุงศรีธยาก็จะต้องไปตายดังนั้นที่พญาตากสินคิดคาดการไกลเช่นนี้นับว่าถูกต้องที่สุดกับเหตุผลที่กล่าวไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขานั้นน่าฟังมากโดยได้กล่าวไว้ว่า พยากำแพงเพชรก็คือพยาตากสินจึงปรึกษากับนายทหารและรีพลทั้งปวงว่ากรุงเทพมหานาครคงจะเสียแก่พมา่าเป็นแน่ตัวเราคิดจะซ่องสุมประชารฎารในแขวงหัวเมืองให้ได้มากแล้วจะยกกลับเข้าไปกลู่กรุงศรีอยุธยาให้คงคืนเป็นราชธานีดังเก่าแล้วจักธนุบำรุงสมณะชีพรมประชาราษฎรซึ่งอนาถาหาที่พมลไม่ได้ให้ร่มเย็นเป็นสุข แล้วจะยอมยกพระบวรพุทธศาสนาให้โชตนาการภัยบูนขึ้นเหมือนอย่างแต่ก่อนให้คนทั้งหลายยำเกรงจงมากซึ่งจะกอบกู้แผ่นดินจึงจะสำเร็จโดยง่ายท่านทั้งหลายจะเห็นประการใดการที่พระยาตากศิลตั้งตัวเป็นเจ้านั้นได้ประกาศตั้งเมื่อใดในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขาปรากฏว่าได้ประกาศตั้งก่อนตีเมืองระยองได้ แต่ในพระนิพนธ์ไทยรพรม่าของสมเด็จพระเจ้าบรโมวงเถอกรมพยาดำรงราชานุภภาพอ่านแล้วจับใจความได้ว่าหลังจากที่ตีเมืองระยองได้แล้วจึงทรงเรียกว่าเจ้าตากย่อมเป็นทางพิจารณาได้ว่าตั้งตัวเป็นเจ้าเมื่อตีเมืองระยองได้แล้วเมื่อเจ้าตากตั้งตัวเป็นอิสระก็มีอนณาเขตเพียงเขตแดนเมืองระยองเท่านั้นส่วนเมืองบางละมุงและเมืองชลบุรีที่อยู่ข้างเหนือก็ดี เมืองจันทบุรีและเมืองตราดที่อยู่ข้างใต้ก็ดียังหาได้อ่อนน้อมยอมอยู่ในอำนาจเจ้าตากไม่พระยาตากศิลจึงได้แต่งทูตให้ถือสุภาษณอักษรไปถึงพระยาจันทบุรีมีใจความว่าบัตรนี้เจ้าตากได้มาตั้งรวบรวมกำลังอยู่ที่เมืองระยองตั้งพระไทยจะยกเข้าไปรบพมา่าแก้ไขให้พระนครพ้นจากอำนาจข้าศึกขอให้พระยาจันทบุรีเห็นแก่บ้านเมือง มาช่วยกันปราบปรามข้าศึกให้กรุงศรีอยุธยาสงบสุขดังการก่อนเมื่อทูตนำสุภาอักษรไปถึงเมืองจันทบุรีพระยาจันทบุรีก็จัดการต้อนรับด้วยดีเมื่อทูตจะลากลับพระยาจันทบุรีก็ได้มอบสเสบียงอาหารให้ทูตนำมาช่วยเจ้าตากด้วยครั้นทูตกลับไปแล้วพระยาจันทบุรีกลับไม่ไว้ใจเจ้าตากเกรงว่าจะคิดกลอุบายชิงเอาเมืองจันทบุรีจึงไม่ได้ไปเข้าเฝ้าเจ้าตากตามที่รับปากไว้ ส่วนเจ้าตากเมื่อเห็นว่าพระยาจันทบุรีไม่มาตามสัญญาก็เป็นอันเข้าพระไยว่าพระยาจันทบุรีไม่ไว้ใจพระองค์กล่าวถึงนายบุญเรืองผู้รังเมืองบางละมุงพร้อมด้วยผู้ติดตามอีกยี่สิบคนได้ถือหนังสือพมา่าจะเอาไปให้พระยาจันทบุรีเดินผ่านเข้ามาในแวงเมืองระยองพวกทหารเจ้าตากจับตัวไว้ก็ซักถามได้ความว่าเนเมียวสีหบุดีแม่ทัพพมา่าที่ค่ายโพสามต้น มีหนังสือมาบอกให้พระยาจันทบุรีเข้าไปอ่อนน้อมเสียโดยดีและสั่งบังคับให้ผู้รังเมืองละมุงถือหนังสือไปให้โดยตนเองพวกนายทัพนายกองของเจ้าตากจึงทูลว่าพวกนี้เป็นพวกพมา่าควรจะให้ประหารชีวิตเสียเจ้าตากไม่ทรงเห็นด้วยเพราะว่าผู้รังเมืองบางละมุงก็ตกอยู่ในอำนาจพมา่าจำต้องยอมมาตามพมา่บาบังคับการที่พมา่ามีหนังสือบังคับพระยาจันทบุรีเช่นนี้ก็ดีแล้ว เป็นโอกาสให้พญาจันทรบุรีเลือกเอาว่าจะไปเข้ากับพมา่าหรือจะมาเข้ากับไทยด้วยกันประจวบกับขณะนั้นเจ้าตากกําลังปรารถนาที่จะไปชวนพญาเศรษฐีราชาเจ้าเมืองบรนทายมาศแห่งเมืองยวนให้มาเข้าพวกด้วยอีกเมืองหนึ่งทรงเห็นเป็นโอกาสที่จะทําให้พญาจันทรบุรียําเกรงจึงแต่งทูตให้ถือสุภกษรไปถึงพระราชาเศรษฐีมีใจความว่า เมื่อครั้งพม่ามาล้อมกรุงศรีอยุธยานั้นพระยาราชาเศรษฐีได้เคยจัดกําลังและเสบียงอาหารเข้าไปช่วยตามที่ทางกรุงได้มีท้องตราส่งไปแต่ไปติดกองทัพพม่ามาตั้งสกัดอยู่ที่ทนบุรีจึงไปไม่ได้ซึ่งนับว่าเป็นความดีความชอบมากอยู่บัดนี้เจ้าตากได้มาตั้งรวบรวมรีพลอยู่ที่เมืองระยองได้กําลังมากพอสมควรแล้วขอให้พระยาราชาเสรษฐียกกองทัพมาสมทบ เพื่อช่วยกันแก้ให้กรุงศรีติยาพ้นจากอำนาจข้าศึกเสร็จแล้วก็มอบให้ทูตลงเรือนําสุภาพอักษรไปเมืองบันทายม่านเมืองยวนแล้วก็ให้ผู้รังเมืองบางละมุงไปชี้แจงแก่พญาจันทบุรีด้วยพร้อมกันครั้นพระยาราชาเศรษฐีทราบความในสุภาพอักษรแล้วก็ยินดีจะรับช่วยเหลือแต่ขอผลัดให้สิน้นฤดูมรสุมก่อนจึงจะยกกองทัพไปช่วยแต่ทางฝ่ายพระญาจันทบุรีนั้นยังหาตอบมาว่าประการใดไม่ เจ้าตากซึ่งอยู่ทางนี้ก็ได้ตเตรียมไพ่ผลไว้เพื่อคิดการใหญ่ต่อไปภายหน้าขุนรามมื่นซ่องกรมการเมืองเก่าระยองซึ่งปล้นค่าเจ้าตากที่เมืองระยองแล้วหนีไปนั้นไปตั้งชุมนุมอยู่ในเขตเมืองแกลงอันเป็นเมืองขึ้นของจันทบุรีแล้วคุมสมัครพรรคพวกปล้นช้างม้าพาหนะของเจ้าตากไปเนืองๆจึงดังนั้นเจ้าตากก็ได้ยกกองทัพไปปราบปรามขุนรามมื่นซ่องสู้ไม่ได้ก็พาพรรคพวกหนีไปอยู่กับพระยาจันทบุรี ส่วนในแขวงเมืองชนบุรีก็มีนายทองอยู่นกเล็กได้ตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่กำลังรวบรวมผู้คนอยู่ถ้าเห็นใครผ่านมาจะไปเข้าด้วยเจ้าตากนายทองอยู่ก็เกลี้ยกล่อมหรือว่าบังคับให้ผู้นั้นเข้าอยู่เป็นพวกของตัวเจ้าตากได้ทราบข่าวดังนี้ก็ยกกองทัพมาเมืองชนไปตั้งอยู่ที่หนองมนไม่ได้ติดตามขุนรามมื่นซ่องไปเมืองจันทบุรีเมื่อได้ทราบว่านายทองอยู่นกเล็กมีกําลังเพียงเล็กน้อยก็ได้ส่งคนไปเกลี้ยกล่อมนายทองอยู่ให้ยอมมา เป็นสมัครพรรคพวกเดียวกันนายทองอยู่ก็เห็นว่าจะสู้รบไม่ได้ก็ยอมอ่อนน้อมกับพระเจ้าตากครั้นแล้วเจ้าตากก็โปรดแต่งตั้งให้ในายทองอยู่นกเล็กเป็นพระยาอนุราชบุรีตำแหน่งเจ้าเมืองชนบุรีฝ่ายพระยาจันทบุรีก็หาได้ไปเฝ้าพระเจ้าตากตามที่ตกลงสัญญาไว้ไม่ครั้นเมื่อขุนรามหมื่นซ่องหนีเจ้าตากไปรวมอยู่ด้วยก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าเจ้าตากมีฝีมือเข้มแข็งทั้งทหารก็ชํานาญในการรบ จะต้องสู้รบด้วยกลอุบายจึงจะชนะในที่สุดก็คิดเป็นอุบายที่จะล่อเจ้าตากให้เข้าไปในเมืองจันทบุรีซะก่อนแล้วคิดกำจัดเสโดยง่ายครั้นแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์สีรูปเป็นสมณทูตไปเชิญเจ้าตากมาเมืองจันทบุรีพระสงฆ์สีรูปก็ได้พากันไปเฝ้าเจ้าตากที่เมืองระยองแต่ขณะนั้นเจ้าตากกาลังอยู่ที่เมืองชนบุรีอยู่ครั้นเจ้าตากลับมาแล้วจึงเข้าไปถวายพระพรว่า จันทบุรีเต็มใจที่จะช่วยเจ้าตากปราบยุคเข็นให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขดังเดิมแต่เห็นว่าเมืองระยองเป็นเมืองเล็กจะเอาเป็นที่รวบรวมรีพนและเสบียงอาหารนั้นไม่เหมาะสมจึงจะขอเชิญพระเจ้าตากไปตั้งที่เมืองจันทบุรีอันเป็นที่บริบูรณ์ดีเจ้าตากได้ฟังดังนั้นก็อนุโลมตามแล้วก็ได้เดินทางไปเมืองจันทบุรีโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำทางเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบคุณจาก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 ว่าเมื่อกองทัพเจ้าตากไปถึงบางกระจะัหัวแหวนซึ่งอยู่ห่างเมืองจันทบุรีประมาณสองอเส้นก็พบกับหลวงประหลัดบอกว่าพระยาจันทบุรีให้มาเชิญกองทัพไปพักตั้งทมเนียพักที่ริมน้ำฟากตรงข้ามเมืองทางด้านใต้เจ้าตากก็สั่งกองทัพให้ยกตามหลวงประหลัดไปแต่ก็ไปยังไม่ทันจะถึงเมืองจันทบุรีก็ได้มีผู้มาบอกให้เจ้าตาก ทราบว่าพระยาจันทบุรีครบคิดกับขุนรามหมื่นซองจะยกกำลังออกโจมตีในเวลาที่กองทัพเจ้าตากข้ามน้ำดังนั้นเจ้าตากก็รีบสั่งให้กองทัพไม่ให้ตามหลวงประหลัดไปแล้วให้ไปตั้งทัพที่วัดแก้วซึ่งอยู่ห่างประตูเมืองจันทบุรีประมาณห้าเส้นพระยาจันทบุรีเห็นเจ้าตากไม่ข้ามฟากไปตามความประสงค์ ซ้ำกลับมาตั้งชุมนุมพลอยู่หน้าประตูเมืองก็ตกใจรีบสั่งให้ไพ่พลขึ้นไปรักษาหน้าที่เชิงเทินแล้วให้ขุนพรมพี่บานพระธรรมรงพรนลิ่มในแก้วในไม้ออกไปเฝ้าเจ้าตากขอเชิญเจ้าตากเข้าไปพบพระยาจันทบุรีในเมืองเจ้าตากยังสั่งให้ขุนพรมพิบานให้กลับไปบอกพระยาจันทบุรีว่าเดิมพระยาจันทบุรีให้พระสงฆ์เป็นทูตไปเชิญพระองค์ ให้มาปรึกษาหารือกันเพื่อช่วยคิดอ่านกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจึงเชื่อว่าจะเป็นไปโดยสุจริตจึงได้เสด็จมาตามคําเชิญพระองค์เองเดิมก็ได้เป็นเจ้าเมืองถือศักดินามืน่นมียศเป็นผู้ใหญ่กว่าพระยาจันทบุรีครั้นเมื่อมาถึงเมืองแล้วพระยาจันทบุรีก็หาออกไปต้อนรับตามฉันผู้น้อยไม่กลับเรียกระดมรีพลเข้ารักษาหน้าที่เชิงเทิน และคบหากับขุนรามหมื่นซ่องซึ่งได้คิดประทุษร้ายต่อพระองค์ถึงสองคราวมาแล้วถ้าจะให้พระองค์เข้าไปก็ขอให้พระยาจันทบุรีออกมาหาพระองค์ก่อนหรือมิฉะนั้นก็ให้ส่งตัวขุนรามหมื่นซ่องออกมาเพื่อกระทําศาสาบาลให้เป็นที่วางใจได้แต่ก่อนถ้ากระทําอย่างนี้ได้จึงจะเห็นความสุจริตของพระยาจันทบุรีจะได้เป็นที่รักใคร่นับถือเสมือนพี่น้องกันสืบไป ขุนพรมที่บานก็ได้นำความไปบอกแก่พยาจันทบุรีแต่ว่าพยาจันทบุรีก็หาออกไปไม่กลับทั้งยังไม่ส่งตัวขุนขุนรามมื่นซ่องออกมาอีกด้วยซ้ำกลับให้คนมาทูลเจ้าตากว่าขุนรามหมื่นซ่องมีความกลัวไม่กล้าออกมาไม่รู้ที่จะทำประการใดเจ้าตากได้ทราบก็ะรงขัดเคืองเป็นอันมากก็ได้สั่งให้บอกพยาจันทบุรีว่า เมื่อไม่เห็นแก่ไมตรีแล้วก็จงรักษาเมืองไว้ให้จงดีเถิดแล้วเจ้าตากก็เรียกนายทัพนายกองมาสั่งว่าพระองค์จะเข้าตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อทหารกินอาหารมื้อเย็นเสร็จแล้วก็ให้เททิ้งอาหารที่เหลือทั้งหมดแล้วก็ต่อยหม้อข้าวเสีให้แตกหมดหมายไปกินข้าวเช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในคืนนี้ก็ให้ตายเสียด้วยกันทั้งหมดกองทัพทีเดียว นายทัพนายกองต่างเคยเห็นความเด็ดขาดของเจ้าต่างมาแต่การก่อนก็ยอมกระทำตามหามีผู้ใดกล้าขัดขืนไม่นักประวัติศาสตร์ได้ลงความเห็นและวิจารณ์กันไว้ว่าการรบครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้จิตวิทยายุทธ์แก้ไข่พลนายนทัพนายกองของพระองค์เพื่อต้องการรบให้เอาชนะฝ่ายเดียวถ้าตีเอาเมืองจันทบุรีได้ก็จะได้มีชีวิตกินอยู่กันต่อไปถ้าตีไม่ได้ก็จะต้องอดตาย ทันถึงเวลาค่ําเจ้าตากจึงมอบหน้าที่ให้ทหารไทยจีนลอบไปซุ่มอยู่มิให้ชาวเมืองรู้ตัวและคอยฟังเสียงปืนสัญญาณเข้าปล้นเมืองให้พร้อมกันระวังอย่าให้มีเสียงอื้ออึงเป็นนันขดัดเมื่อพวกไหนเข้าเมืองได้ก็ให้หูร้องขึ้นเป็นสัญญาณเพื่อให้พวกด้านอื่นได้ทราบพอถึงเวลาสามนาฬกาอันเป็นเวลาเลิกเจ้าตากก็ขึ้นทรงช้างเคีรีบัญชร และสั่งให้ยิงเป็นสัญญาณเจ้าตาก็ขับช้างที่นั่งเข้าพังประตูเมืองทหารทั้งหลายก็เข้าปล้นเมืองพร้อมกันทุกหน้าที่พวกในเมืองก็ระดมยิงปืนใหญ่น้อยออกมาเป็นอันมากนายท้ายช้างที่นั่งกิริบัญชรเห็นปืนยิงมาหนาแน่นานักเกรงจะมาถูกเจ้าตากเป็นอันตรายจึงเกี่ยวช้างพระที่นั่งให้ถอยออกมาเจ้าตากขัดพระทัยชักพระแสงหันมาจะฟันนายท้ายช้าง ในท้ายช้างตกใจร้องทูลขอชีวิตแล้วสายช้างกลับเข้ารื้อบานประตูพังลงพวกทหารก็รูเกลกเียวกันเข้าเมืองได้พวกชาวเมืองรู้ว่าพระเจ้าตากเข้าเมืองได้แล้วต่างก็ละทิ้งหน้าที่กระจัดกระจายหนีส่วนพยาจันทบุรีก็ได้พาครอบครัวลงเรือหนีไปยังเมืองบรนทายมาศของยวนเมื่อเจ้าตากตีเมืองจันทบุรีได้นั้นเป็นวันอาทิตย์เดือนเจปีกุลพุทธศักราช2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พมา่าแล้วได้สองเดือนเมื่อเข้าเมืองจันทบุรีได้แล้วเจ้าตากก็เกรียกรวมผู้คนให้กลับคืนภูมิลํำนาวเดิมจัดการบ้านเมืองให้เป็นปกติสุขเรียบร้อยดังเดิมแล้วก็สั่งให้ยกกองทัพไปถึงเมืองตราดพวกกรมการเมืองและประชาราษฎรมีความเกรงกลัวก็ยอมอ่อนน้อมโดยดีขณะนั้นมีเรือสำเภาจีนมาทอดทุ่นอยู่ที่ปากน้ําเมืองตราดอยู่หลายลําเจ้าตากให้ไปเรียกนายเรือมาเฝ้า พวกจีนในเรือขัดขืนสามกลับยิงฆ่าหลวงผู้ไปบอกเสอีกเจ้าตากก็เสด็จลงเรือรบคุมกองเรือไปล้อมสำเพาจีนเหล่านั้นไว้แล้วสั่งบังคับให้ยอมอ่อนน้อมเสียโดยดีพวกสำเพาจีนก็หาฟังไม่กลับประลมยิงมายังกองเรือเจ้าตากต่อสู้กันอยู่ประมาณครึ่งวันเจ้าตากก็ยึดสัมเพอจีนไปได้หมดได้ทั้งทรัพย์สินสิ่งของมาเป็นจํานวนมากเจ้าตากลับจะเมืองตราดมาตั้งอยู่ที่เมืองจันทบุรี แล้วสั่งให้ลงมือต่อเรือรบและรวบรวมเครื่องสตราวุธิยุทธพันธ์เพื่อจะได้ทำการปราบปรามชุมนุมต่างๆและคิดกู้กรุงศรีอยุธยาอีกต่อไปอันหนึ่งชุมนุมต่างๆเมื่อเปรียบข้อได้เปรียบเสียเปรียบโดยถือเอาชุมนุมเจ้าตากเป็นชุมนุมแกนกลางสำคัญเปรียบเทียบเฉพาะหัวหน้ากับชุมนุมอื่นๆในด้านต่างๆได้ดังต่อไปนี้ 1. เจ้าตากมีชนมายุเพียง34สพรรษา หนุ่มกว่าหัวหน้าชุมนุมอื่นๆทั้งหมดกําลังว่องไวทั้งกําลังกายและกําลังปัญญาความคิด 2. เจ้าตากเป็นชาวกรุงศรีอยุธยาและทรงจําเรือนไว้อยู่ในกรุงนั่นเองได้เคยคบค้าเป็นมิตรสหายกับข้าราชการรุ่นเดียวกันหลายท่านเช่นองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุระสิงหานาฏเป็นต้นเป็นเหตุให้ได้ข้าราชการหนุ่มๆเหล่านั้นมาช่วยเป็นกําลังรบอีกเป็นนันมาก สในขณะที่ทําการรบพุ่งกับพมา่าเพื่อรักษากรุงศรีอยุธยาอยู่นั้นก็ปรากฏชื่อเสียงว่าเจ้าตากมีฝีมือการรบพุ่งอย่างเข้มแข็งและกล้าหาญเด็ดเดียวแม้พมา่าเองก็คั่นคลามอยู่ไม่ใชน้อยเป็นเหตุให้มีผู้คนเทิดทูนบูชาน้ําใจมาก 4. การรบชนะพะมา่าทั้งสี่ครั้งภายหลังจากที่เจ้าตากหนีออกไปจากกรุงศรีอยุธยาจนพมา่าคลั่งคลามไม่กล้าติดตามอีกต่อไป ก็คือการได้เมืองระยองเมืองจนบุรีเมืองจันทบุรีและเมืองตราดพร้อมกับยึดสัมภาวจีนได้เหล่านี้ย่อมเป็นชนวนชักจูงให้คนยำเกรงเข้ามาสวามิภักดิ์เป็นกำลังอย่างสาคัญในโอกาสต่อมา 5. นับแต่เจ้าตากหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาก็ต้องทำการรบโดยไม่หยุดย่อนเท่ากับได้ทำการฝุกซ้องฝีมือและกำลังทหารอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทหารมียุทธวินัยอันดีและมีความชํานาญในการรบยิ่งขึ้นหเจ้าตากเป็นนักรบโดยอุปนิสัยเอาพระองค์ออกหน้านําทหารฝ่าฟันอันตรายอยู่เป็นนิจทําให้ทหารมีความจงรักภักดียอมถวายชีวิตด้วยเหตุนี้คนน้อยจึงสู้คนมากได้เพราะมีกําลังใจได้ผู้นําเป็นนักรบกล้าหาญเด็ดเดียวเจ้าตากทําการต่อเรือรบอยู่ที่จันทบุรีได้มากมาย เป็นจำนวนถึง100หนึ่งร้อยลำและรวบรวมทหารไทยจีนได้ประมาณ5 0 0พันคนมีท้งข้าราชการในกรุงศรีอยุธยาที่หนีพม่าเข้ามาร่วมด้วยอีกหลายคนเช่นหลวงศักดิ์ในเวณมหาดเล็กในสุจินดาหุ้มแพร ม, มหาดเล็กเป็นต้นทำให้เจ้าตากมีกำลังมากขึ้นพอที่จะดำเนินการกู้กรุงศรีอยุธยาได้ครั้นถึงเดือนสบอ็ดอันเป็นเดือนสิ้นมรสุมทะเล เจ้าตากได้ยกกองทัพเรือออกจากเมืองจันทบุรีเมื่อมาถึงเมืองชนบุรีพวกราษฎรพากันมากล่าวโทษนายทองอยู่นกเล็กซึ่งเจ้าตากตั้งให้เป็นพญาอนุราชบุรีอยู่รักษาเมืองชนบุรีว่าประพฤติตัวเป็นโจรให้พักพวกเที่ยวตีปล้นเรือลูกค้าแย่งจิงเอาทรัพย์สินของเขาเจ้าตากก็ให้ชำระได้ความเป็นสัตว์จึงให้ประหารชีวิตนายทองอยู่นกเล็กเสีย แล้วเจ้าตากก็ล่องขึ้นมาทางปากน้ำเจ้าพระยาไวาในทองอินซึ่งพม่าตั้งให้รักษาเมืองทนบุรีนั้นครั้นรู้ว่าเจ้าตากยกทัพมาถึงปากน้ำก็ให้คนรีบไปบอกสุกี้แม่ทัพที่ค่ายโพสามต้นแล้วระดมคนขึ้นรักษาป้อมวิชัยประสิทธิ์เพื่อจะเตรียมการต่อสู้ครั้นกองทัพเจ้าตากยกมาจึงได้รบพุ่งกันบ้างเจ้าตากก็ตีได้เมืองทนบุรี จับตัวนายทองอินได้ให้ประหารชีวิตเสียแล้วเร่งกองทัพขึ้นไปยังกรุงศรีอยุธยาสุกี้พอทราบข่าวว่านายทองอินถูกประหารชีวิตก็มีความตกใจรีบสั่งให้ทหารเตรียมรักษาค่ายโพสามต้นทันทีและสั่งให้มองย่าแม่ทัพคุมทหารมอญไทยยกไปคอยสกัดกองทัพเรือที่เจ้าตากอยู่ที่พระเนตรเมื่อเจ้าตากมาเป็นเวลาคำ่ำ ทราบว่ามีกองทัพข้าศึกมาตั้งอยู่ที่พระเนียตแต่ไม่ทราบว่ามีกำลังมากน้อยเท่าไหร่จึงยับยั้งอยู่พวกไทยที่มาอยู่ในกองทัพมองยา่ารันรู้ว่ากองทัพที่มานั้นเป็นคนไทยด้วยกันก็ชักรวนเร่บ้างก็หลบหนีบ้างก็จะมาเข้ากับเจ้าตากมองย่าเห็นอย่างนั้นเกรงจะเกิดกบฏขึ้นจึงหนีเอาตัวรอดกลับไปค่ายโพสามต้นในค่าวันนั้นรุ่งขึ้นเช้าเจ้าตากได้ทราบว่าพวกไทยที่หนีพม่ามาเข้าด้วย ว่าข้าศึกหนีจากพระเนตรไปหมดแล้วเจ้าตากจึงรีบยกติดตามไปยังค่ายภูสามต้นค่ายพมา่าแห่งนี้พมา่าตั้งอยู่ทางภากตะวันออกและตะวันตกตัวสุกี้แม่ทัพอยู่ข้างปล่ายภากตะวันตกค่ายแห่งนี้พมา่าได้รื้อเอาอิฐของวัดมาก่อกำแพงทำเชิงเทินอย่างมั่นคงตั้งแต่นี้มียวสีห บ, บดีเป็นแม่ทัพล้อมกรุงอยู่ เจ้าตากยกไปถึงค่ายตะวันออกเป็นเวลาเช้าก็สั่งให้เข้าตีประมาณเก้านาฬกาก็ตีได้ค่ายรุ่งเช้าเจ้าตากสั่งให้พระยาพิพิษและพระยาพิชัยนายทหารจีนคุมกองทหารจีนเข้าตีค่ายตะวันตกโดยใช้บันไดาพาดปีนค่ายพมา่าขึ้นไปรบกันอยู่ตั้งแต่เช้าจนเที่ยงกองทัพเจ้าตากก็ตีค่ายได้สุกี้แม่ทัพพมา่าตายไปในที่รบมองย่าพาทหารหนีไปได้บ้างเพียงเล็กน้อย เมื่อเจ้าตากทําการรบมีชัยชนะพม่าแล้วก็ตั้งพักกองทัพอยู่ในค่ายปูสามต้นนั้นบรรดาทรัพ์สมบัติซึ่งพม่าเก็บริบมาได้แล้วก็ยังไม่ได้ส่งไปเมืองพมา่าก็ตกเป็นของเจ้าตากทั้งสิน้นนอกจากนั้นยังมีบรรดาข้าราชการไทยทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยที่พม่าจับไว้ได้หลายคนต่างก็พากันมาเฝ้าถวายบังคมเจ้าตากทูลให้ทรงทราบถึงที่ฝังพระบรมศพพระเจ้าเอกทัศ และยังทูลว่ายังมีเจ้านายฝ่ายในที่พมา่าจับได้ต้องกักขังอยู่ในค่ายนี้รวมทั้งหมด8พระองค์เจ้าตากได้ทรงทราบก็มีพระไทยสงสารอันหนึ่งเมื่อครั้งเจ้าตากประทับอยู่ที่เมืองจันทบุรีก็ได้ทรงอุปการะพระองค์เจ้าทัพทิมที่ดาพระเจ้าเสือพระองค์หนึ่งแล้วจึงโปรดรับเจ้านายอีกแปพระองค์ไว้ทรงชุบเลี้ยงต่อไปแล้วก็ให้ปลดปล่อยผู้คนที่พม่ากักขังไว้จนหมดสิน้น ครั้นแล้วจึงโปรดให้ปลูกพระเมรุมาตรดาษผ้าขาวที่ท้องสนามหลวงและสร้างพระโกศกับเครื่องสําหรับประดับงานพระบรมศพตามกําลังเท่าที่จะสามารถจะหาได้ครั้นเตรียมการพระเมรุมาตรพร้อมศัพท์แล้วพระเจ้าตากจึงเสด็จเข้ามาตั้งพระพลาอยู่ในกรุงให้ขุดพระบรมศพพระเจ้าเอกทัศน์เชิญลงในพระโกศประดิษฐานพระเมรุมาตรที่สร้างไว้ให้เที่ยวส่อหาพระภิกษุสงฆ์เท่าที่เหลืออยู่ นิมนต์มารับทักษินานุประทานและสดับปกรณ์ตามราชประเพณีเจ้าตากกับเจ้านายในพระราชวงศ์และบรรดาข้าราชการโปรดให้มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระบรมอัฐิตามเยี่ยงอย่างสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินแต่อดีตการเมื่อพระเจ้าตากถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าเอกทัศเสร็จแล้วก็ทรงมีพระประสงค์ที่จะปฏิสังขรณ์พระนครศรีอยุธยาให้คงคืนเป็นราชธานีดังการก่อน จึงขึ้นทรงช้างพระที่นั่งเที่ยวทอดพระเนตรตามบริเวณต่างๆในพระนครทอดพระเนตรเห็นปราสาท ร, ราชมนเทียและพระตำหนักใหญ่น้อยทั้งในบริเวณอาวาสวิหารและบ้านเรือนราษฎรที่ถูกฆ่าสึกเผาทําลายเสียเปลียบอันมากที่ยังดีอยู่นั้นก็หาเกือบไม่ได้เลยทรงสังเวชสลดพระไทยแล้วก็เสด็จเข้าประทับแรมอยู่ณที่นั้นในราตรีนั้นเจ้าตากทรงพระสุบินว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนๆมาขับไล่ไมิให้อยู่ ครั้นรุ่งเช้าก็ส่งเล่าพระสุบินให้บรรดาข้าราชการทั้งปวงฟังแล้วดำรัสว่าพระองค์ตั้งพระไทยจะบูรณะปฏิสังขรพระนครให้คงคืนดีดังเก่าแต่เมื่อเจ้าของเดิมท่านยังหวงแหนอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะไปสร้างเมืองทนบุรีเป็นที่อยู่เถิดการที่เจ้าตากลงมาตั้ง เมืองธนบุรีเป็นราชถานีอยู่นั้นเป็นการเหมาะสมทุกประการเพราะกรุงศรีอยุธยาแม้จะเป็นชียภูมิดีที่มีลำน้ำล้อมรอบและมีประการมั่นคงก็จริงแต่รีพลของเจ้าตากในขณะนั้นซึ่งนับว่าน้อยไม่พอที่จะป้องกัน ร, รักษาให้พ้นเงื้อมือของข้าศึกได้การที่ลงมาตั้งอยู่หนะ้าเมืองธนบุรีนั้นถ้าข้าศึกมาทางบกโดยไม่มีทัพเรือเป็นกำลังร่วมมาด้วย ก็อยากที่จะตีเมืองธนบุรีให้สําเร็จได้โดยง่ายเพราะว่าเมืองธนบุรีป้อมประการมั่นคงและเป็นเมืองขนาดย่อมซึ่งพอเหมาะแก่กองกําลังทัพ บ, บกและกองทัพเรือของพระเจ้าตากจะพึงรักษาไว้ได้แม้ในที่สุดจะรักษาเมืองธนบุรีไม่ได้แล้วจริงๆโดยเหตุที่อยู่ใกล้ปากน้ําอาจจะล่าทัพกลับไปยึดที่มั่นอยู่ที่เมืองจันทบุรีอย่างเดิมได้โดยสะดวกแล้วอีกประการหนึ่งเมืองธนบุรีก็เป็นเมืองซึ่งตั้งปิดปากน้ําอยู่ สามารถกีดขวางการติดต่อระหว่างเมืองต่างประเทศกับหัวเมืองที่ตั้งตนเป็นอิสระอยู่ทางเหนือได้เป็นอย่างดีโดยไม่สามารถจะลำเลียงอาวุธยุทธภัณฑ์ให้แก่กันได้เมื่อเจ้าตากลงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ที่กรุงธนบุรีก็ได้โปรดให้มีพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นในปี2310ประกาศพระเกียรติยศเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วปูนบาเหน็จนายทัพนายกองที่มีความดีความชอบ โดยแต่งตั้งให้มียศสักตามธรรมเนียบข้าราชการครั้งกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นในสุจินดาคือกรมพระราชวังบ ว, วมรมหาสุระสิงหานาถก็ได้เป็นที่พระมหาบนตรีเจ้ากรมพระตำรวจฝ่ายซ้ายหลวงยกระบาดเมืองราชบุรีคือองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ได้เป็นที่พระราชวรินเจ้ากรมพระตำรวจฝ่ายซ้ายกรุงธนบุรีในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อราชาพิเศษนั้นประมาณว่าอยู่ในเขตจังหวัดเหล่านี้คือจังหวัดสิงห์บุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ปราจีนบุรีนครนายกชนบุรีระยองตราดจันทบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์กรุงธน บ, บุรีเริ่มมีชื่อเสียงโดยเฉพาะพระเกียรติยศของสมเด็จพระยาตากสินมหาราช เรื่องลือไปไกลได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถกอบผู้แผ่นดินไทยให้พ้นจากเงื้อมือของพ่มามา้าค่าศึกได้เป็นเหตุให้ประชาชนพลเมืองที่ยังหลบลี้อยู่ทั้งในกรุงและหัวเมืองน้อยใหญ่มีความชื่นชมยินดีพากันมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นอันมากเช่นชาวจีนที่เข้ามาทาการค้าขายอยู่ในเมืองไทยเป็นต้นในปลายปีพศ2310 พญาทวายได้ยกกองทัพเข้ามาทางเมืองไซยโยกสาเหตุที่พญาทวายจะยกกองทัพเข้ามานั้นก็คือว่าพระเจ้ากรุงศรีสตนาคณหุตหรือเมืองเวียงจันทร์ซึ่งฝักไฝอยู่กับพม่าในเวลานั้นได้ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตีกรุงศรีอยุธยาได้แล้วตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่จึงแจ้งเรื่องราวนั้นทูลไปให้พระเจ้าอังวะทรงทราบฝ่ายพระเจ้าอังวะก็กําลังกังวลพระไทยอยู่ด้วยจะเกิดสงครามกับจีน ทั้งได้ทราบจากเนมิลสสีหัมบดีว่าเมืองไทยแตกยับเยินผู้คนก็เหลือน้อยคงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรใหญ่โตนักจึงเพียงแต่มีท้องตราขึ้นไปถึงแมงกี้มานยาเจ้าเมืองทวายให้เข้ามาสังเกตการในเมืองไทยว่าสงบดีหรือเปล่าถ้ามีผู้ใดตั้งตัวเป็นใหญ่ก็ให้หาทางกำจัดปราบปรามเสียให้ราบคาบกองทัพพยาทวายยกทัพเข้ามาถึงเมืองบางกุ้งเขตเมืองสมุทรสงคราม เห็นทหารจีนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ก็เข้าล้อมกองทหารจีนนั้นไว้กรมการเมืองสมุทรสงครามได้บอกเข้ามายัางกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินทรงทราบก็รีบจัดกองทัพจากในกรุงโดยมีพระมหามนตรีคือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นทัพหน้าส่วนพระองค์เองก็ทรงคุมกองทัพหลวงยกเป็นกระบวนทัพเรือไปอยังเมืองสมุทรสงคราม เมื่อไปถึงนั้นทรงทราบว่าค่ายางกุ้งโจนจะเสียทีแก่ข้าศึกอยู่แล้วจึงมีรับสั่งให้ทัพหน้ายกเข้าโจมตีข้าศึกในเวลานั้นทัพหลวงก็ยกตามเข้าไปพวกไทยใช้อาวุธสั้นเข้าไล่ตะลุมบอลพันแทงข้าศึกล้มตายเป็นอันมากที่เหลือตายก็พากันแตกหนีกระจัดกระจายไปพญาทวายเห็นเหลือกําลังที่จะต่อสู้ก็รวบรวมไพ่พลกลับไปเมืองทวายด้านด่านเจ้าข้าวกองทัพไทยริบเรือรถพม่าทั้งหมดเอาไว้ ทันถึงปีพศ2311พอเข้าฤดูฝนพ้นเวลาที่พม่าจะยกกองทัพมาได้สมเด็จพระเจ้าตากสินก็ทรงตะเตรียมการที่จะปราบชุมนุมต่างๆที่ตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่พระองค์เสด็จกรีธาทัพทางชนละมากขึ้นทางเหนือเพื่อจะตีเอาเมืองพิษณุโลกเจ้าพิษณุโลกได้ทราบก็สั่งให้หลวงโกษาคุมกองทัพลงมาตั้งรับที่ตำบลเกยชัยได้ทาการรบพุ่งกันตรงนั้นเป็นสามารถ ฝ่ายข้าศึกได้ยิงปืนมาต้องพระองค์เบื้องซ้ายทรงพิจารณาเห็นว่าจะยังตีเอาเมืองพิษณุโลกไม่ได้คราวนี้จึงทรงโปรดให้ถอยทัพกลับมายังกรุงธนบุรีฝ่ายเจ้าพิษณุโลกรู้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินถอยทัพไปแล้วก็สำคัญว่าตนทำการรบชนะฝ่ายที่มีกำลังเข้มแข็งที่สุดก็กำเริบใจจึงตั้งพิธีราชาพิเศษสถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ แล้วก็เป็นได้เพียงเจ็ดวันก็อเผอิญเกิดฝีในลําคอขึ้นแล้วถึงแก่พิราไรพระอินอากรซึ่งเป็นน้องชายเจ้าพิษณุโลกก็ขึ้นครองเมืองแทนแต่ก็หาได้ตั้งตัวเป็นเจ้าไม่สืบต่อมาชุมนุมเมืองพิษณุโลกก็ถูกชุมนุมเจ้าพระขวางยกกองทัพลงมาตีกองทัพเจ้าพิษณุโลกป้องกันเมืองอยู่เพียงสองเดือนชาวเมืองก็เกิดความอดอยากถึงยอมเป็นไส้ศึกเปิดประตูเมืองรับกองทัพของเจ้าพระขวาง เจ้าพระฝางเข้าเมืองได้ก็ให้จับพระอินอากรประหารชีวิตเสียชุมนุมเมืองพิสมุโลกก็ร่วมกับชุมนุมเจ้าพระวางกลายเป็นชุมนุมใหญ่สาคัญและมีผู้คนมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าตากสินเมื่อหายจากพระประชวนดีแล้วก็ได้ยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายเจ้าพิมายก็คือกรมมะมื่นเทพพิพิธเมื่อได้ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินยกกองทัพมา จึงให้พระยาบวรบงสาธิราชยกมาตั้งรับอยู่ที่ด่านขุนทดให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์พระยามหามนตรีและมองย่าแม่ทัพรองของเลเมียวสีหบดีซึ่งหนีสมเด็จพระเจ้าตากสินจากค่ายปัสามต้นไปพึ่งเจ้าพิมาอยู่ด้วยยกทัพมาตั้งรับอยู่ที่บ้านเจอหอส่วนกองทัพฝ่ายกรุงทนบุรีนั้นมีพระยามหามนตรีและพระราชวรินทร์ คุมกําลังกองทัพขึ้นไปตีทัพพระยาวรวงศ์สาธิราชที่ด่านขุนทดโดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพหลวงตรงไปยังบ้านจอหอเข้าตีทัพเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์และก็ตีหักเข้าค่ายได้แล้วไล่ฆ่าพันทหารเมืองพิมายล้มตายไปนานมากพวกข้าสึกก็แต่พ่ายหนีไปจับได้ตัวเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์และพะยามหามนตรีและมองยา่าดารัสั่งให้ประหารชีวิตเสียสิ้นทั้งสามคน ฝ่ากองทัพพระยามหามนตรีและพระราชบรินทได้รบต่อสู้กับพรยาวรวงศ์สาธิราชเป็นสามัญรบกันอยู่หลายวันทหารหลวงจึงหักเข้าค่ายข่าศึกได้พระยาวรวงศ์สาธิราชหนีไปเมืองสัมบะ เ, เสียมราชรแวนกัมพูชาพระมหามนตรีและพระราชบรินทได้ยกทัพติดตามไปแต่ไม่ได้ตัวจึงยกทัพกลับมาเมืองนครราชสีมาเจ้าพี่มายเมื่อได้ทราบว่าเสียแม่ทัพทั้งสามแล้วก็ตกพระไทย ได้พาพักพวกหนีบจะไปแดนกรุงศรีสตนาขนหุนแต่ว่าขุนชนะกรมการเมืองนครราชสีมาติดตามจับตัวมาได้พร้อมทั้งบุตรภรยานํามาถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงโปรดแต่งตั้งให้ขุนชนะเป็นพญากรรมแห่งสงครามเมืองนครราชสีมาส่วนเจ้าพิมายหรือว่ากรมเหมือนเทพพิพิธนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสั่งรับสั่งให้ประหารชีวิตเสียจากนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวแต่งตั้งให้พระราชวรินทร์ เป็นพญาอาภัยรุนนริ์จางวางพระตำรวจฝ่ายขวาพระมหามนตรีเป็นพญาอนุชิตราชาจางวางพระตำรวจฝ่ายซ้ายในปีพศ .2312 โปรดให้เตรียมกองทัพที่จะยกลงไปตีเมืองนครศรีธรรมราชแต่ไม่ทันจะยกไปก็ได้รับใบบอกจากเมืองจันทบุรีโดยมีข่าวว่ายวนได้ยกกองทัพเรือมาขึ้นที่เมืองบันทายมาหลือกันว่าจะเข้ามาตีกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ไว้พระไทยจึงเตรียมรักษาปากน้ำไว้โดยให้พระบิชัยในทหารจีนข้าหลวงเดิมซึ่งเลื่อนขึ้นเป็นพยาโกษาธิบดีเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาปากน้ำแต่ต่อมาไม่ช้าก็ได้ความแน่ชัดว่าการที่ยวนยกกองทัพมานั้นก็เนื่องโดยองนอนท์ซึ่งเป็นพระรามราชาผู้คิดชิงราชสมบัติพระรามราชาสู้ยวนไม่ได้ก็หนีมาพึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในฐานะที่เป็นข้าขอบขันธศีมาแห่งเมืองไทยมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาดังนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินก็โปรดให้เจ้าพยาจักรีเป็นแม่ทัพใหญ่ให้พญยาหยุมมาราศ์พญาศรีพิพัฒพญาเพชรบุรีเป็นนายกองทัพ บ, บกยกไปตีเมืองนครศรีธรรมราชกองทัพได้ยกลงไปถึงเมืองชุมพรเมืองชัยยาพวกปรมการกล่าวของเมืองทั้งสองก็เข้ามาอ่อนน้อมโดยดีโดยไม่ต้องรบพุ่งจึงเดินกองทัพต่อไปข้ามแม่น้ำตาปี ถึงท่าหมายพบข้าศึกตั้งสกัดอยู่ก็เกิดการต่อสู้รบกันพญาเพชรบุรีตายในที่รบเจ้าพญาจักรีจึงสั่งให้ถอยทัพกลับมาตั้งอยู่ที่เมืองชายาพญาอยุมาราชมีใบบอกกล่าวโทษเจ้าพญาจักรีเข้ามาว่าไม่ตั้งใจช่วยราชการทัพยอย่างเต็มที่สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงทราบก็มีพระดำรีว่าการตีเมืองนครศรีธรรมราชในครั้งนี้เพียงกองทัพในน้อยที่ยกไปคราวนี้เห็นจะตีเอาไม่ได้ ก็พอดีในขณะนั้นกองทัพหลวงซึ่งจะเสด็จตามกองทัพพระยาอภัยรนาริตซึ่งไปตีกรุกรง cambodia ได้เตรียมทัพลงมาช่วยก็ทรงรับสั่งให้จัดกองทัพเป็นกองทัพใหญ่ยกไปตีนครศรีธรรมราชทันทีที่นี้ขอย้อนกล่าวถึงกองทัพไทยที่ยกไปตีเมืองกัมพูชาในขณะที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงรบทัพปราบชุมนุมต่างๆอยู่นั้นก็มีเหตุการณ์บ้านเมืองทางกรุงก a m b o d i a เข้ามาแทร กล่าวคือสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงโปรดให้มีสุภอักษรไปยังสมเด็จพระนารายณ์ราชาเมืองเขมรเป็นใจความว่าบัดนี้กรุงศรีอยุธยากลับตั้งเป็นปกติดุดการก่อนจึงขอให้กรุงกัมพูชาส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองกับเครื่องรา ช, ชบรรณาการเข้ามาถวายตามราชประเพณีเช่นแต่ก่อนสมเด็จพระนารายณ์ราชาตอบมาว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ ของสมเด็จพระมหากษัตริย์ที่ราชที่ครองกรุงศรีอยุธยาหายินยอมถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองไหมสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงทรงรับสั่งให้จัดทัพยกไปตีกรุงกัมพูชาโดยทรงโปรดให้พระยาอภัยรณฤทธิกับพระยาอนุชิตราชาคุมพลสองพันคนยกจากเมืองนครราชสีมาไปตีเมืองเสียมราฐกองทัพหนึ่งให้พระยากโกษาธิบดีคุมพลสองพันคน ยกจากกรุงธนบุรีไปตีเมืองพระตะบองอีกทัพหนึ่งเมื่อตีเมืองทั้งสองนั้นได้แล้วถ้าสมเด็จพระนารายณ์ราชายังดื้อดึงก็ให้ยึดเมืองทั้งสองนั้นไว้รอกองทัพหลวงซึ่งจะเสด็จตามไปในฤดูแล้งโดยประสงค์จะรอฟังผลการตีเมืองนครศรีธรรมราชก่อนเมื่อทัพไทยตีเมืองกัมพูชาแล้วพระเจ้าตากสินก็เสด็จกรีธาทัพโดยกระบวนรือ ออกจากกรุงธนบุรีพร้อมด้วยกองทัพซึ่งมีจำนวนพลถึงหนึ่งหมื่นคนลงไปตีเมืองนครศรีธรรมราชกระบวนเรือได้ไปถูกพายุที่บางทะลุแขวงเมืองเพชรบุรีซึ่งปัจจุบันนี้ได้เรียกว่าหาดเจ้าสำราญต้องหยุดพักซ่อมเรืออยู่ระยะหนึ่งแล้วจึงยกไปเมืองชายารับสั่งให้พระยายุมราชคุมกองทัพ บ, บกเป็นกองหน้าเจ้าพระยาจักรีกับพระยาพิชัยราชาเป็นทัพหลวงยกไปทางหนึ่งส่วนสมเด็จพระเจ้าตา ก็คุมกองทัพหนึ่งโดยกําหนดเข้าตีเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมๆกันฝ่ายเจ้านาครสําคัญคิดว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกกองทัพมาครั้งนี้มาแต่ทางบกเช่นเดียวกับคราวก่อนจึงหาได้เตรียมต้องอป้องกันต่อสู้ทางเรือไว้ไม่กองทัพเรือของพระเจ้าตากจึงไปถึงปากน้ําเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อวันพฤหัสบดีแรมหกค่ําเดือนสิบ เจ้านครได้ทราบก็ตกใจรีบกับเกณฑ์ผู้คนโดยให้อุปราชจัน์ตั้งค่ายต่อสู้อยู่ที่ท่าโพซึ่งอยู่ห่างจากมาเมืองประมาณสาสิบเส้นพระเจ้าตากสินยกขึ้นไปตีค่ายท่าโพแตกจับอุปราชจันท์ได้เจ้านครหมดปัญญาที่จะต่อสู้จึงทิ้งเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมกับได้พาครอบครัวและญาติหนีลงไปเมืองสงขลา พระเจ้าตากสินก็เสด็จเข้าไปประทับในเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อทรงจัดการบ้านเมืองภายในเมืองนครศรีธรรมราชเป็นปกติเรียบร้อยแล้วก็เสด็จไปประทับที่เมืองสงขลากองทัพเจ้าพยาจักรีซึ่งคุมทัพบกมานั้นมีพยาโยมราชเป็นแม่ทัพหน้าตีได้ค่ายข้าศึกที่ท่าหมากแล้วก็ยกต่อมาจนถึงถึงค่ายเขาหัวช้างไม่ทันจะได้สู้รบกันข้าศึกก็ชิงถอยออกไปเสียก่อนด้วยทราบข่าวมาว่าเมืองนครศรีธรรมราชแตกแล้ว กองทัพเจ้าพญาจักรีก็รีบยกตรงไปยังเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าพญาจักรีกับพญาพิชัยราชายกทัพติดตามเจ้านาครไปถึงเมืองสงขลาสืบทราบว่าพญาพัทลุงกับหลวงสงขลาพาเจ้านาครหนีหนีต่อไปทางใต้ก็ยกติดตามไปจนถึงเมืองเทพาสืบถามได้ความว่าไปอาศัยพญยาปัตตานีอยู่ที่เมืองปัตตานีเจ้าพญาจักรีก็ติดตามไปพร้อมกับมีสุภะอักษรไปถึงพญาปัตตานี เป็นใจความว่าเจ้านครเป็นศัตรูกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้หนีมาอยู่เมืองปัตตานีมีรับสั่งให้มาติดตามเอาตัวคืนไปจึงขอให้ส่งตัวมาถวายเสด็จโดยดีพญาปัตตานีมีความเกรงกลัวพระบรารมีพระเจ้าตากก็รับจัดการจับเจ้านครเจ้าพัดบุตรเขยกับเจ้ากลางพญาพัทลุงหลวงสงขลาพร้อมด้วยพักพวกอีกหลายคนที่หนีมา ส่งให้แก่กองทัพเจ้าพญาจักรีเจ้าพญาจักรีก็เลิกทัพกลับมาเฝ้าพระเจ้าตากสินที่เมืองสงขาพระเจ้าตากทรงไม่เอาความผิดจากเจ้านาครกลับทรงมีความเห็นว่าควรจะเอาตัวเข้ามารับราชการในกรุงธนบุรีจากนั้นก็เสด็จกลับไปพักที่เมืองนครศรีธรรมราชอีกชั่วระยะหนึ่งแล้วเสด็จกลับกรุงธนบุรีและพร้อมกันนี้ก็ได้ทรงแต่งตั้งให้เจ้านาลาสุริวงศ์ผู้หลานเธอให้ครองเมืองนครศรีธรรมราช สืบไปในปีพศ2313ชุมนุมเจ้าพระฝางโดยเจ้าพระฝางได้จัดกองทัพลาดระเวนลงมาถึงเมืองอุทยัยธานีและเมืองชัยนาธสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงตกลงพระไทยที่จะยกไปตีเจ้าพระฝางประจวบกับแขกตรังกาอู นำปืนคาบศิลามาถวายสองพันกระบอกก็ต้องตามพระราชประสงค์ยิ่งนักจึงเสด็จยกกองทัพเรือจากกรุงทนบุรีโดยมีกำลังพลมื่นสองพันคนกับทรงโปรดรับสั่งให้จัดทัพขึ้นอีกสองทัพให้พระยาอนุชิตราชาซึ่งเลื่อนขึ้นเป็นพระยายมราชคุมพล5 0 0พันคนยกขึ้นไปทางบกข้างฝ่ายตะวันออกอีกทางหนึ่งจุดหมายปลายทางก็คือเมืองพิษณุโลก ฝ่ายเจ้าพระฝางรู้ว่ากองทัพกรุงธนบุรียกมาก็ให้หลวงโกษาซึ่งเคยเป็นทหารของเจ้าพิษณุโลกคุมกองทัพมาตั้งรับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชเสด็จไปถึงก็ทรงรับสั่งให้ตีปล้นเมืองในค่ำวันนั้นทันทีก็เข้าเมืองพิษณุโลกได้หลวงโกษาหนีกลับเมืองสว่างคบุรีสมเด็จพระเจ้าตากทรงประทับรออยู่อีก9วันกองทัพพระยาโยมราชจึงขึ้นไปอีก และต่อมาอีกสองวันกองทัพพยาพิชัยราชาจึงไปถึงเมื่อทัพทั้งหมดไปถึงและพักกันหายเหนื่อยแล้วก็ทรงโปรดทยอยทัพติดตามข้าศึกไปเมืองสว่างขบุรีส่วนพระองค์เสด็จประทับรออยู่ที่เมืองพิษณุโลกไปพังพลังก่อนกองทัพพระยายมราชและพระยาพิชัยราชาขึ้นไปถึงเมืองสว่างขบุรีก็เข้าล้อมเมืองไว้พวกชาวเมืองเห็นกองทัพกรุงธนบุรีมีกําลังมากก็พากันข้านครั่เจ้าพระฝางเองก็เห็นเหลือกําลัง นึกได้แต่ว่าแค่รักษาเมืองมั่นไว้ขณะนั้นช้างของเจ้าพระฝางตกลูกเป็นช้างพังเผือกเชือกหนึ่งเจ้าพระฝางคิดเห็นว่าช้างเผือกเกิดในขณะค่าศึกล้อมเมืองเป็นคู่บา ร, รมีของข่าศึกก็ยิ่งท้อใจรักษาเมืองอยู่ได้เพียงสามวันแล้วก็หนีหนีออกไปทางเหนือกองทัพกรุงติดตามไปก็หาได้ตัวเจ้าพระฝางไม่ซึ่งก็ได้แต่ช้างเผือกเชือกนั้นนำมาถวาย และนั่นคือการปราบปรามชุมนุมเจ้าพระกวางก็ได้สิ้นสุดลงความดีความชอบของแม่ทัพในกองนั้นมีเหลือขนาดถึงกับทรงโปรดแต่งตั้งให้พระยายมรราชคือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงขนาะธเป็นเจ้าพระยาสุรสีผู้สําเร็จราชการเมืองพิษณุโลกพระยามิชัยราชาเป็นเจ้าพระยาสําเร็จราชการเมืองสวรรคโลกพระยาศิรราชเดโชชัยเป็นพระยามิชยัย พระยาท้ายนามเป็นพระยาสุขโขทยัยพระยาสุรบดินเป็นพระยากำแพงเพชรพระยาอนุรักษ์ภูธรเป็นเจ้าพระยานครสวรรค์และพระยาอภัยร น, นริศคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชเป็นพระยายมรรัฐที่สมุหานายกเมื่อพระองค์ทรงปราบปรามแก๊นต่างๆที่ได้ตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่ราบคาบจนหมดแล้วก็ทรงคิดจะขยายพระราชาอาณาเขตออกไปให้กว้างขวาง โดยการปราบปรามบรรดาเมืองต่างๆอาทิเช่นเมืองตะนาวศรีเมืองมาริดเมืองเชียงใหม่เมืองเขมรและเมืองมลายูซึ่งเมืองต่างๆเหล่านี้ได้เคยเป็นเมืองขึ้นแก่ไทยในครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแต่บัดนี้เมืองต่างๆเหล่านี้ก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของพม่าบ้างตั้งแข็งเมืองอิสระอยู่บ้างเริ่มโดยการตีเมืองเชียงใหม่ พระองค์ได้เสด็จญาตราทัพหลวงจากกรุงธนบุรีเมื่อปีพศ2313ไปตั้งชุมนุมพลที่เมืองพิชัยรวบรวมกำลังได้ห5 0่0ันคนให้เจ้าพระยาสุรสีเป็นทัพหน้ายกไปก่อนส่วนพระองค์ทรงเป็นจอมทัพหลวงยกตามไปเดินทัพผ่านเมืองสวรรคโลกเมืองเถินเมืองลีบรรดาเจ้าเมืองรายทางที่ผ่านไปก็ยอมสวามิภักดิ์กองทัพของกรุงทนบุรียกกันไปถึงเมืองลำพูนได้โดยสะดวก อั น, นเมืองเชียงใหม่ในครั้ง น, นั้นอยู่ในอำนาจของพม่าซึ่งโปโมายุงวนแม่ทัพพม่าควบคุมอยู่เมื่อได้ทราบว่ากองทัพกรุงธนบุรียกขึ้นมาก็จัดให้ตั้งค่ายรับอยู่นอกเมืองเมื่อกองทัพเจ้าพญาสุรสีขึ้นไปตีค่ายนั้นแตกโปโมายุ้วนก็สั่งให้กองทัพกลับเข้ามาในเมืองตั้งรักษาป้อมประการไว้อย่างแน่นหนากองทัพกรุงธนบุรีก็ตั้งล้อมเมืองไว้ได้ทําการปล้นเมืองครั้งหนึ่งแต่ไม่สําเร็จก็ถอยทัพกลับ สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงดำรัสว่าเมืองเชียงใหม่มีป้อมปราการมั่นคงนักมีคำกล่าวกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาว่าผู้ใดจะตีเมืองเชียงใหม่จะต้องตีถึงสองครั้งจึงจะสำเร็จจึงทรงรับสั่งให้ถอยทัพกลับฝ่ายปูมายุง่วนเห็นได้ทีก็สั่งให้กองทัพติดตามตีจนกองทัพหลังของกรุงธนบุรีระสัมราสายแตกมาถึงกองทัพหลวง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเห็นกองทัพหลังเสียทีก็เสด็จลงมาคุมเองทรงพระแสงดาบสู้รบกับข้าศึกและพวกนายทหารพลทหารเห็นอย่างนั้นก็เกิดกำลังใจกลับเข้ารุกรบกับข้าศึกถึงขั้นตะลุมบอลข้าศึกต้านทานไม่ไหวก็ถอยหนีกลับไปกองทัพกรุงธนบุรีก็ถอยกลับมาได้สะดวกต่อมาตีกรุงกัมพูชากล่าวถึงสมเด็จพระนารายณ์ราชาเจ้ากรุงกัมพูชา ในเมื่อได้ทราบข่าวว่ากองทัพพม่ายกลงมาทางเหนือแล้วเกิดการรบพุ่งกันกันกบไทยและได้ข่าวว่ากองทัพไทยยกทัพกลับก็คาดคิดว่าไทยคงจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แก่พม่าตามเคยเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงให้นักประสูตรยกกองทัพมาตีเมืองตราดกับเมืองจันทบุรีเมื่อปลายปีพศ2313แต่กองทัพเมืองจันทบุรีต่อสู้อย่างเข้มแข็งกลับตีกองทัพขมนแตกพ่ายไป เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จกลับมาจากเมืองเชียงใหม่ได้ทรงทราบเข้าก็ทรงขัดเคืองกเมรยิ่งนักเมื่อได้พักทหารจนถึงปลายฤดูฝนแล้วก็รับสั่งให้เตรียมทัพไปตีกรุงกัมพูชาในขณะนั้นเจ้าพยาจาักรีแขกถึงอสัญญกรรมจึงทรงโปรดแต่งตั้งให้พระยาโยมราชดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าพระยาจักรีแทนและตั้งพระยาราชวังสันบุตรเจ้าพยาจักรีแขกเป็นพระยายมราชแล้วรับสั่งให้เจ้าพระยาจักรีด่วง เป็นแม่ทัพคุมพลหนึ่งแสคนยกไปทางเมืองปราจินบุรีและให้พระรามราชาไปด้วยเพื่อจะช่วยเกลี้ยกล่อมพวกเขเมิ้นได้รับสั่งให้เข้าตีเมืองพระตะบองและเมืองโพธิสัตว์เข้าไปจนถึงเมืองบันทายเพชรซึ่งเป็นราชธานีกรุงกัมพูชาและพร้อมกันนี้ก็ได้จัดให้กองทัพเรือมีจํานวนเรือรบหนึ่งร้อยลำเรือลําเลียงหนึ่งรอยลำมีจํานวนพลหมื่นห้าันคนให้พระยาโกษาธิบดีเป็นกองหน้าส่วนพระองค์เป็นกองหลวง ยกออกจากพระนครไปประทับที่ปากน้ําเมืองจันทบุรีรับสั่งให้พระยาโกษาธิบดียกล่วงหน้าไปตีเมืองกําโปองโสมก่อนต่อมาอีกหวันพระองค์จึงเสด็จยกกองทัพหลวงตามไปเสด็จไปถึงปากน้ําเมืองบันทามาศ ก, ก็ทรงจัดคนให้ไปเกลี้ยกล่อมพระยาราชาเศรษฐีกับเจ้าเมืองบันทามาศให้มาอ่อนน้อมแต่โดยดีแต่พระยาราชาเศรษฐีไม่ยอมจึงรับสั่งให้ตีเมืองบันทามาศเป็นผลสําเร็จ พยาราชาเศรษฐีหนีลงเรือออกทะเลไปได้จากนั้นพระเจ้าตากศินก็เสด็จยกทัพเรือเข้าคลองขุดไปยังเมืองพนมเปนต่อไปและพร้อมกันนี้เจ้าพญาจั ก, กรีก็ตีได้เมืองพระตะบองเมืองโพธิสัตว์และเมืองบริบูรณ์โดยลาดับยังแต่จะตีเมืองบรรทายเพชรเท่านั้นสมเด็จพระนารายราชาเห็นว่าจะสู้รบไม่ไหวก็ทิ้งเมืองบรรทายเพชรอบพยพครอบครวัวพากันหนีไปเมืองบาพนม แล้วก็หนีไปเมืองยวนต่อพญาโกษาธิบดีได้เมืองกำปองสมแล้วจะไปตีเมืองกำปองปอดต่อไปเจ้าเมืองกำปองปอดมาเฝ้าณนะเมืองพนมเป็นสมเด็จเจ้าพญาตากสินมหาราชก็ทรงมอบกรุงกัมพูชาแก่พระรามราชาแล้วเลิกทับกลับพระนครเมื่อปี2314สืบต่อมาสมเด็จพระนารายราชาก็ขอกำลังยวนกลับมาตั้งอยู่ที่แพรกปรักปรัด ไม่กล้ามาอยู่ที่เมืองบรรทายเพชรฝ่ายพระรามราชาก็คงอยู่เมืองกำปงปอดไม่กล้าไปอยู่เมืองบรรทายเพชรเหมือนกันเป็นอันว่าเมืองเขมรแยกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายใต้ขึ้นแก่สมเด็จพระนารายราชาฝ่ายเหนือขึ้นแก่พระรามราชาจนกระทั่งต่อมาประเทศยวนได้เกิดกบฏไกเซินราชวงศ์ยวนเสียบ้านเสียเมืองแก่พวกกบฏสมเด็จพระนารายราชาไม่แน่ใจว่าจะได้รับความคุ้มกันจากยวนอีกต่อไปจึงเข้ามาขอพึ่งพระรามราชา โดยยินยอมให้พระรามราชาครองกรุงกัมพูชาส่วนพระองค์เองจะลดลงมาเป็นพระราชาองค์ที่สองพระรามราชาก็มีใบบอกกราบทูลถวายมายังสมเด็จพระเจ้าตากสินพระองค์ทรงทราบกระทรงพระสมณนัตยิงนักโปรดให้อภิเสกพระรามราชาเป็นเจ้ากรุงกัมพูชาทรงตั้งสมเด็จพระนารายราชาเป็นมหาอุปโยรราชและให้นักองค์ธรรมเป็นที่มหาอุปราช นับแต่นั้นกรุงกัมพูชาก็เป็นประเทศราชขึ้นตรงต่อกรุงทธนบุรีเปรียบเสมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีซึ่งกรุงกัมพูชาเคยเป็นประเทศราชมา ก, ก่อนเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ